ซีดีธรรมัญญาจุดพอรู้ทางก็สุขแท้โดยพระพรหมคุณาพรณอป อ, อ, อปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระตึกอำเภอสามพราณจังหวัดคนครปฐมเรื่องที่3สุขข้างนอกสุขข้างหน้าแต่สุขทแท้อยู่ข้างในบรรยายโวันที่4 พ, พุทธศักราช2544 อยางที่อ่านหนังสือพรที่สำเร็จแล้วนะคอนั่นได้คุยว่าความสุขที่อยู่กับตัวนะคะกับความสุขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอยากให้ท่านช่วยกรุณาอธิบายให้ญาติโยมฟังข้งนึงเพื่อใหได้ชัดเจนเจ้าค่ะค่ะขอความกรุณาค่ะก็ถามเรื่องความสุขก็มีความสุขในตัวทางสุขนอกตัวความสุขข้างหน้าเลยค่ะอันนี้อที่มันแน่ก็คือความสุขที่อยู่ในตัวเนี่ยยอู่ในตัวแล้วก็มันก็อยู่กับตัวนี่แหละนี่ถ้ายังไม่แน่ก็คือความสุขนอกตัวกับความสุขข้างหน้านี่คนเรานี่เรามันจะใช้คําพูดวววว่่าาาาาาาาหหหคคคมมสสุุขขํํทใ้ มองไปได้ว no ่าอ๋อแสดงว่าเรายังไม่มีความสุขก็เลยหาใช่ไหมก็เลยกลายเป็นการฟ้องว่าเราเนี่ยขาดความสุขแล้วก็พยายามหาถ้าคนที่ขาดความสุขแล้วที่หาความสุขเนี่ยก็จะมีปัญหาขึ้นหนึ่งขณะนั้นตัวไม่มีความสุขขาดแคลนและตรงทางก็จะมีความทุกข์อยู่ด้วยโดยมากจะมีความทุกข์อยู่เนี่ยแล้วก็ไปสลาหาความสุขนี่ในเมื่อความสุขไม่มีอยู่เราไปหานี่แล้วถ้ามีคนต่างก็ขาดความสุขหาความสุขไปอย่างนี้ไปเยอก็แย่งกันแย่งกันก็ต้องเกิดดุ่งเบียดเบียนกันอะไรแย่งชิงกันเนี่ยตัวเวลานี้ที่เป็นป ไม่มีความสุขอยู่กับตัวหรือในตัวก็ที่สรยหาความสุขราก็ขัดแย้งกันแย่งความสุขตัวนี้เยอะเหลือเกินนี่ก็ปัญหาหนึ่งนี่อันนี้พูดในแง่ความสุขในตัวนอกตัวทีนี้อีกอย่างนึงก็คือความสุขข้างหน้าก็เหมือนกันนะความสุขข้างหน้าก็อยู่เป็นความหวังแล้วก็ยังไม่มีนั่นเองในข้างหน้าก็รอไปเลยก็ก็อยู่ในแบบสรยหาอะไรหรือรอก็ได้นะีคืออาจจะกว้างเพราะว่าอยู่ยังไม่มีด้วยนะแล้วก็อาจจะหาหรือว่าอาจจะรอก็รอด้วยความหวังนี่จริงถ้าไม่มีความหวังเลยก็ดิ้งทุกมากนะี่ที่แน่นอน ก็คือความสุขที่อยู่ในตัวที่มีอยู่ตัวนี้เป็นของแน่นอนอันนี้ธรรมาพูดแบบนี้ก็เป็นเชิงวิเคราะห์ศัพท์เท่านั้นเองนี่เราก็ต้องมาดูกันอีกว่าความสุขทางในข้างนอกข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ความสุขของคนปัจจุบันเนี่ยอันที่หนึ่งที่น่าสังเกตก็คือความสุขที่ว่าอยู่นอกตัวอยู่นอกตัวจะเป็นความสุขที่หวังจากพวกวัตถุนี่เป็นอันดับที่1นึสิ่งเสพสิ่งบริโภคสิ่งบำรุงบำรุงต้นเปลือยอะไรต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรต่างๆที่มี มีเงินมีทองแล้วกานึกก็จะไปหาความสุขได้อันเนี้ยเะมากนึกก็ยอมรับท่านจะยอมรับว่าเป็นความสุขประเภทหนึ่งแต่ความสุขแบบนี้มีข้อจํากัดมีจุดอ่อนหลายอย่างจุดอ่อนที่สำคัญอันหนึ่งที่คุณไม่เคยมองคือจุดอ่อนอันหนึ่งอาจจะมองง่ายจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามไปก็คือการที่เราอาจจะสูญเสียอิสรภาพเนี่ยทำไมถึงว่าสูญเสียอิสรภาพก็คือว่าความสุขของเราเนี้ยไม่มีได้ในตัวเองเราต้องพึ่งมันพึ่งวัตถุพึ่งสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั้นอันนี้อีกปัญหาอ่าาามมืวเรจะพึ่งมากขึ้้นดวย คือสิ่งเสร็จบรรลุมวลที่เราเคยจะได้ความสุกนั้นพอชินชาแล้วมันจะเบือ่อน่าจะต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มดีกรีเคยมีเท่านี้สุกต่อไปท่านั้นไม่สุกแล้วต้องเพิ่มปริมาณต้องเพิ่มดีกรีก็จึงจะสุกถ้าอย่างนี้ก็จะสุขยากขึ้นก็จะมีปัญหาสุขยากขึ้นสุกยากขึ้นก็มีทุกนายขึ้นด้วยมันก็ามาคู่กันจะเป็นคนที่ยิ่งอยู่นานไปก็เป็นคนที่ทุกได้ง่ายขึ้นสุกได้ยากขึ้นต้องมีมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีแม้แต่เรื่องเงินเรื่ต่อมาาเํร็จ ได้พันได้หมื่นตอนแรกเมสุขรื่นสุขเต็มที่เลยาะต่อมาทักินชาแหละแล้วลทีนี้เกิดหาได้มากกว่านั้นทีนี้หาได้ทีละเยอะทีละหมื่นแสนเกิดเมื่อไรได้พันหนึ่งไอ้ที่เคยหวังว่าจะสุขที่สุดนะ่ต่อมาตัวได้หมื่นได้แสนะพอได้พันนี่ตายเป็นทุกข์เลยนะพันที่ไตอนนี้เนยะที่เคยให้มีความสุขเต็มทีนะ่ตายเป็นทุกข์เพราะว่าไอ้ความสุขบนี้ไม่แน่นอนนก็อย่างที่ว่าเพิ่มปริมาณดีปีไปเรื่อยไม่รู้จักจบนี่ถ้าไม่มีสติย่งในงคนก็จะสูญเสียความสามารถที่จะม ในประการหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ที่ว่าสูญเสีสภาพก็คือความสุขไม่มีในตัวเองต้องพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งภายนอกในถ้าสิ่งนั้นไม่มีตัวก็เกิดอนตรายดูไม่ได้มีความทุกข์ก็อยู่ลําบากยิ่งเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นก็ต้องพึ่งหวังสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะนั่นก็หมดอิสรภาพในทาความสุขคือเป็นความสุขแบบพึ่งพาอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เราเนี่ยรักษาความสามารถอีกด้านหนึ่งภายในไว้เพื่อยให้เสียดยยไม่่่รู้้ตัววนกาาองง ก็ไหาก็พัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งที่จะมาช่วยให้ตัวเองมีความสุข <c oughs> ใช่ไหมก็ เ, เก่งในการหานีอันนี้ก็เป็นการยอมรับอันนึงขอเก่งคนนี้ เ, เก่งในการหาสิ่งที่จะมาทําตัวมีความสุขแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนะี่ยไม่รู้ตัวว่าในเวลาเดียวกันที่มีความสามารถในการหาสิ่งมาทำให้ตัวเองมีความสุขเนะี่ยตัวเองก็ได้สูญเสียไปด้วยก็คือสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนะีซึ่งอันนี้คนไม่ค่อยคิดภาพจริงคนเราเนี่ยมันมีอยู่ในตัวนะความสามารถที่จะมีความสุขนี่ถ้าเรารู้จักรักษาและพัฒนาเยราอู่บนนโลกี้เราสสุุขขขง่ายยึ้นหรือก ถ้าเราสุดได้อย่างคืนแสดงว่าเรานี่พิถฐานต้องมีอะไรเกิดปัญหาผิดพลาดขึ้นมาในตัวแล้งั้นถ้าเก่งจริงนี่มันต้องไม่เสีดุลแล้วเราต้องทำให้ได้ทังส อ, งอย่างคือคู่กันพัฒนาความสามารถในการหาสิ่งที่จะมาทําให้มีความสุขนั้นก็อเรายอมรับทีนี้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขในตัวเองด้วยอันนี้มันก็ด้าภายใ น, ในใ จ, จิตใจแล้วนะและก็ปัญญาด้วยที่จะรู้จักคิดรู้จักพิจารณาทำให้ตัวเองมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกทีนี้คนที่พัฒนาตัวเองถูกเนี่ยนะดูไปก็มีความสามารถในการาสุ้ก็ด ก็ดูพระพุทธเจ้ารอาย์เป็นตัวอย่างแล้วท่านไม่ต้องมีอะไรท่านก็สุขใช่ท่านจะไปอยู่ที่ไหนกลางป่ากลางเขาจะลำบากอะไรท่านก็สุขได้นนั้นเนี่ยในนี้ก็คือมีความสุขอยู่ดึตัวได้อยู่ในตัวสุขได้ตลอดเวลาแ ค, ความสุขต้องตายเป็นคุณสมบัติของเราแล้วไม่ใช่สิ่งภายนอกอันนี้ก็มีอิสรภาพหนึ่งก็อิสรภาพยไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกที่จะให้ตัวมีความสุขไม่เป็นความสุขแบบพื้นผ้าแล้วมันก็มีอยู่กับตัวตลอดเวลากลายเป็นคุณสมบัติของชีวิต ยังมีภามสามารถที่จะมีความสุขอยู่พอสมควรใช่ไมไม่ต้องมีอะไรมากก็สุขได้แต่หลายคนพอโตไปแล้วความสามารถที่จะมีความสุขมันหายไปกลายเป็นว่าอเอาความสุขไปฝากแล้สิ่งข้างนอกหมดเลยนี่ถ้าเราเอาความสุขไปฝากแล้สิ่งข้างนอกหมดเราก็แย่ทันยเราไม่มีทางแล้วที่จะมีความสุขได้จริงนี่ชีวิตของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างคน ร่างกายตอนแรกแก็ใช้มันได้เต็มที่มากควสุขภายนอกเนี่ยจะอยู่กับร่างกายที่ดีมีตาหูจมูกินใจที่ยังใช้ได้ดีทอินซี ย, ยังแข็งแรงอินซียคมชัดอยู่ต่อไปตาหูจมูกตายมันสื่อหมดนี่คนที่ไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขไวหรืออย่างน้อยไม่รักษามันไวเลยเนี่ยเอาความสุขไปฝากาก็สิ่งภายนอกหมดก็จะทรนทุรายมากนะพอร่างกายเสือเ่อมอินซีนีอ่อนแอนลงแก่เท่าลงนี่ัดแหละสามารถจะมีความสุข ทุกเพราะ่าความสุขไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกนั้นที่เคยได้ความสุขจากมันมันก็ไม่สามารถให้ความสุขเนอาหารที่เคยอร่อยอร่อยตอนนี้ลิ้นอลต่างบางทีมันก็ไม่เคยรับรแล้วก็หูตามันก็ไม่ดีนี่หาความสุขับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ไม่ต้องไปรอไปแก่หรอกเทียงแค่เจ็บป่วยเท่านั้นแหละคนที่เอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกก็ลบากเลยนี่ยเพาเจ็บป่วยมีแต่ความทุกข์ทุรนทุรายนี่คนที่รักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้นี่แกก็เออเจ็บป่วยก็ไม่เป็นไรเนี่ยก ในขณะที่เราได้อยู่ในโลกมีการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งวาปลนเปอบความสุขนีนะก็อย <LE AN> ่าให้สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขไปเสีย้ให้ดีก็พัฒนามันไว้ด้วยให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี้ถ้าเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขเนี่ยเราก็ขึ้น่อความสุขขึ้นจสิ่งบงุงวาเอ น, น้อยลงเราก็จะอยู่ง่ายด้วยและมันจะมีผลตามเยอะหนึง่งชีวิตตัวเองก็เป็นอิสระมากขึ้นเคยพูดบ่อยๆบอกว่าคนที่เอาความสุขไปฝากไว้กับวัตถุภายนอกหมดเนี่ยอยู่ในฐานะลำบากไปไหนก็ อย่างน <im> <to inqu> <lên> ้อยรักษาความสามารถที่จะมีความสุขก็จะพูดได้ว่าเออริงนั้นมีก็ดีไม่มีก็ได้เหมือนนั่นะมีก็ดีกมาวม่าอมันก็ดีมีก็ดีราก็จะได้มีความสุขถ้าไม่มีก็ได้นะใช่หมถ้าคนที่ยังมีอิสรอยู่บ้างจะต้องสามารถพูดอย่างนี้เนี่มีก็ดีไม่มีก็ได้เหมือนนั่นพูดได้ไหมก่อนก่อนทีนี้ถ้าว่าเงก็อาจจะบางอย่างทักชอบอยู่อิสระนบอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีเหมือนนันมีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ดีก็หมายความว่ามีก็ได้ไม่เป็นไรฉันก็อยู่กับม ก็ไม่ต้องการสิ่งบำรุงบนโลกตัวมากใช่แต่ตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่จะหาสิ่งต่างๆมาแต่ตัวเองสุกง่ายแล้วนี่เมื่อสิ่งนั้นมันก็เติมเป็มสาหรับตัวเองคนพวกนี้ก็จะไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และจะผือแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ง่ายด้วยช่วยสังคมดีแต่คนที่สุกมาอยู่แต่ตัวฝากไปกับสิ่งภายนอกที่หาความสุขแบบนี้ก็ ย, ย่งจริงเบียดเบียนกันสงคมเดือดร้อนมันก็เสียทั้งชีวิตตัวเองและทั้งผู้อื่นแต่ถ้าเรารักษาความสามารถนี้ไว้ได้ชีวิตเราก็ดีแล้ว นี่ความสุขมันมีหลายขั้นหลายระดับมันอยู่ที่การพัฒนาความต้องการคนเราเนี่ยมันมีความต้องการทีนี้เวลาเราสุขก็คือเราได้สนองความต้องการของเราขอให้พิจารณาดูเถอะเวลาเราต้องการอะไรเราได้สนองความต้องการเราความสุขนี่ถ้าความสุขของเราเปลี่ยนไปให้ขออภัยไปพูดผิดถ้าความต้องการของเราเปลี่ยนไปความสุขก็เปลี่ยนด้วยแล้วเคยต้องการสิ่งนี้เราได้ก็มีความสุขใช่ไหมเกิดต่อมาเราไม่ชอบเราไม่ต้องการสิ่งนี้ตามนี้มาทุกเลยใช่อันเดียวกันนั่นแหละทีนี้ความต้องการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ นี่ควมต้องการของคนเราในยุคนี้มันถูกสิ่งล่อเราทำกระตุ้นให้เกิดความต้องการประเภทสิ่งเสรีบริโภควัตถุมาใช่ไหมจกระทั่งคนในบางทีลืมเลยมองไม่เห็นว่ามันมีแดนความสุขด้านอื่นซึ่งถ้ามันพัฒนาความต้องการไปถึงนนั้นแล้วก็จะมีความสุขอย่างนั้นอีกเนี่ยาก็ลยอยู่กับภามต้องการสิ่งเสรบริโภคที่เป็นวัตถุแล้วก็ต้องอาศัยวัตถุอย่างเนี้ยซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นความสุขแบบพึ่งพาแล้วก็ยูภายนอกตามหาเรื่อยนี่ทำไมเราไม่พัฒนาความต้องการที่ถราเราพั คือมองพุทาศาสนาว่าเออพทาศาสนานี่สอนไม่ให้อยากเธอได้ยินเลยพอพูดอย่างนี้ไม่ถูกละัะพุทธาศาสนานี่ท่านให้อยากเนียอย่างนี้ต้องใช้วิจิีเรียกว่าวิพัชวะคือต้องจาแนกความค้านี่ท่านแยกเลยวความอยากมีสประเภทความอยากที่เป็นอกุศล น, นะประเภทหนึ่งคือไม่ดีแล้วความอยากที่เป็นกุศลประเภทหนึนะ่งแล้วความอยากที่เป็นกุศลเนีนะ่ยเป็นตัวสำคัญที่เจ็ดพาให้เราเดินหน้าไปในชีวิตแล้วก็เดินหน้าไปในการปฏิบัติธรรมที่จะมีสมาธิวิปัสสนาต้องอาศัยธรรมนั่นแหละตอาศัความอยากนั่นแหละขออภัยพวกเจ้ากันซะลูแล้วเนี่ยท ถ้าเราจะใช้ภาษาไทยเราต้องใช้ตัวนี้นะทรงมีความปรารถนาแต่เราพูดความมัยากรู้สึกมันจะเป็นธรรมยาบไปใช่ไหแต่ที่จริงมันก็ตัวเดียวกันนะปรารถนาภาษาบาลีแล้ก็แปลมาเป็นไทยซะควจริงก็แปลเป็นไทยแท้ๆนะไม่แปลนะคือปรารถนามันแปลไม่ใช่แปลคือบาลีว่าปรารถนาแล้วก็แปลเป็นไทยเป็นปรารถนานี่ถ้าแปลแปลเป็นไทยเนี่ยไม่ไม่ใส่งอนแปลเป็นไทยมันเป็นอยางนั่นเองนี่เป็นความยาบนี่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความปรารถนาอย่างหนึ่งคือความปรารถนาที่เป็นกุศลจะช่วยเหลือเอนมนุษย์นะท่านเรียกว่าฉันทะเป็นพุทธ คือต้องมีความอยากที่ไม่ถดถอยคือความปรารถนาเนี่ยไม่มีพระเจ้าเจออะไรไม่เคยท้อเลยนะต้องการจะทำประโยชน์ต้องการจะช่วยคนในพ้นทุกนี่ประสบอุปสรรคอะไรพระองค์ไม่เคยทอยนั่นพระเจ้ามีชันทะที่ไม่ถดถอยนีเป็นลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีเราทุกคนต้องมีถ้าเรามีอันนี้แล้วเราจะเจริญเงางามและชีวิตก็จะมีความสุขด้วยก็หมายความว่าเราจะต้องกล้าไปสู่ความอยากความต้องการประเภหนึ่งคือความอยากนี่ก็ก็ความหมายก็คล้ายๆคความต้องการนี่แหละความต้องการก็ความอยากความปรารถนาซึ่ง พัฒนาจิตใจก็จอะเป็นอย่างย่างตอนนี้เราจะพูดวาพัฒนาจิตใจในเรื่องความต้องการแล้วพพัฒนาความต้องการได้ก็พัฒนาความสุขได้ด้วยอันนี้ต้องการยังไงมีเยอไะไปแคเยกตัวอย่างมาเลยว่าความต้องการอันหนึ่งที่มนุษย์จะมีความสุขได้แต่ถ้าพัฒนาไม่ได้ก็ไม่มีความสุขอยู่อันนี้ในหมู่มนุษย์ดชนเนี่ยก็ยังพอเห็นตัวอย่างยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากหรอกคือเอาที่เริ่มที่คุณพ่อคุณแม่ก็ญาติโยมที่มานี่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เยอะนี่นนคุณพ่ อ, อนนคุค ก็คือมีลูกแล้วต้องการให้เขาเป็นสุขใช่ป่ะเนี่ยมีลูกแล้วอยากให้ลูกเป็นสุขหรือต้องการให้ลูกเป็นสุขความต้องการให้ลูกเป็นสุขเราพูดให้พระว่าความปรารถนาให้เขาเป็นสุขความปรารถนาให้เขาเป็นสุขอันนี้เราเรียกว่าโนเมตตาใช่ไหมครับถ้าเราต้องการให้คนอื่นมาบรรลความสุขเรารต้องการได้สิ่งนั้นมาให้ให้เราเป็นสุขอันนี้เรียกว่าหักขัดเราอาศัยสิ่งนั้นเราจะได้มีความสุขแต่ว่าสำหรับลูกนี่พ่อแม่จะต้องการให้เขาเป็นสุขพอต้องการให้ลูกเป็นสุขท่านี้เรามีเมตตาเก ก็พออยากให้รูปเป็นสุขอยากเห็นรูปเป็นสุขเพรูปเป็นสุขผสมปรารถนาในสนองสามต้องการก็สุขทันทีใช่ไหมเ <N> นีอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ความต้องการในพัฒนาได้นี่ถ้าเกิดคนนั้นมีจ mommy, ิตใจที่มีความรักคนอื่นขยายไปรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักอะไรก็แล้วแต่จะขยายไปได้เท่าไหร่คนที่พัฒนาความต้องการคือความรักหรือเมตตาเนี่ไปได้ก็จะเป็นคนที่มีโอกาสได้สุขมากขึ้นใช่ไหมเป็นความสุขที่อยู่ในสมองมนุษย์ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องเสร็จวัตถุคนที่ยังไม่มีอะไรเลยก็จะมุ สนองความต้องการให้คนอื่นเป็นสุขพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นสุขแล้วทให้ลูกเป็นสุขได้เนี่ยมันก็มีความสุขขึ้นหน่อยประเภทหนึ่งแต่ทีนี้ทำไมเราจะไปสนนจงตาไแค่นั้นล่ะใช่มถ้าเรามีตัวเมตาหรือความรักนี้กลัออกไปาก็มีความสุขเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนที่เราขยายมันออกไปนั้นที่พออยากให้เขาเป็นสุขก็อยากเห็นเขาเป็นสุขเขายังไม่เป็นสุขก็อยากทาให้เขาเป็นสุขทีนีก็ทสิว่าทนี่ไอ้ทำนี่มันเป็นการช่วยเหลือกูลกันใช่ไมันเป็นเรื่องที่ดีไม่หนุนยางสนอง ท่นี่จะเป็นปนางเบดเบยนกันได้เายงชิงแต่พอต้องการให้คนอื่นเป็นสุขยอยากให้ลูกเป็นสุขเนี่ยทำเพื่อให้ลูกเป็นสุขเนี่ยมาเป็นการช่วยเหลือทีนี้ถ้ารักเพื่อนมนุษย์รักใครรักเด็กรักอะไรเนี่ยแต่ก่อนเราเน้นกันผู้ใหญ่ต้องรักเด็กและอยากให้เห็นเด็กเป็นสุขเราก็ทำโน่นทำนี่ให้เขาเป็นสุขได้เราก็เป็นสุขไปด้วยนี่ก็เป็นการขยายเนี่ยนี่วิถีทางหนึ่งที่จะทให้คนอื่นเป็นสุขก็คือการให้เนี่ยเราก็เริ่มทีวัดถูกอันนี้แหละคนเขขาดแทนไม่มีลูกของเรายังไม่มีสิ่งนั้ เราอยากจะได้นี่มันก็ต้องสนองความต้องการด้วยการที่ได้มาดีเราสุขพอให้มันก็เสียไปสิเสียไปันก็ฝืนความปรารถนาเราก็ทุกชัทีนี้ท่านก็ให้ฝืนให้ก็ไปการทว่ามันจะต้องไปโยงกับตัวเมตตากรุณาเนี่ยเมตตากรุณาที่อยากให้คนดเป็นสุขถ้าเมื่อใดท่านมีอ้ตัวเมตตากรุณาที่มันได้มอยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยการให้มันก็เปลี่ยนเป็นสุขได้เลยนั้นจากการที่เราให้แก่ลูกใช่มเราก็มีความสุขจากการให้แก่ลูกได้พราแม่ไม่เป็นการเสียสละอีกล้วใช่ไหมเพราะว่าเต็มใจลูก นี่ถ้าเอาหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ก็ต้องแบ่งกันสินะต้องกัเียงกับลูกละถ้เาเธอคือห น, นหนึ่นนึนะนี่พ่อแม่ไม่เทียงไม่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนจะลูกนะฮะกเต็มใจให้ลูกแล้วก็พ่อแม่ก็ให้ลูกก็มีความสุขได้ด้วยเนี่ยการพัฒนามนุษย์เจ้าก็เลยเอาฐานมาเริ่มตน้นว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องอยู่อาศัยอาศัยสิ่งเสบบุตถูอะไรตา่างๆถ้าไม่มีก็แย่นี่ก็ มนุษย์เราแต่ละค น, นมุ่งปรารถนาจะเอาเพื่อตนต้องการอย่างนีงจิงจะมีความสุขให้ เ, เป็นทุกข์ก็มาสุที่นี่ซะโลกมันจะได้อยู่ร่มนแต่ให้ต้องมีการพัฒนาคุณธรรมไปด้วยเรามีเมตตาการุณาอยากให้เขาเป็นสุขนะเห็นใครเป็นทุกข์เราก็ต้องพัฒนากันตั้งแต่เด็กๆอ่ะคืออันนี้ถ้าพัฒนามาโตยากเพราะนั่นในสังคมไทยแพเราก็พัฒนาตั้งแต่เด็กๆหนูเห็นสัตว์เลี้ยงเห็นอะไรเห็นคนยากคนจนมาแล้วก็หัให้เขาสงสารเห็นใจนั่นยาะื อ, ะอแเสสละช่วยเขาเป็นสุข ก็ุเด็กๆเก็มีน้ำใจใช่ราก็เรียกมีน้ำใจนั่นเองคือมีความต้องการให้คนอื่นได้เป็นสุขนี่พอเรามีความต้องการนี่เราได้ทำได้ให้เขาเเห็นเขายิ้มแย้มแใสมีความสุขเราก็รืืมใจมนยาญาติโยมที่มีน้ำใจมตาการุณานี่ไปที่เด็กพิการอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีน้ใจและม่ตากรุณาสงสารพอเอาอาหารไปเลี้ยงเขาเด็กมันก็นาเดินแจ่มใสใช่พอเห็นเด็กนาเดินแจ่มใสเป็นสุขนี่ถือเราอยากให้เห็นเขาเป็นสุขอยากให้เขาเป็นสุขอยากเห็นเขาเป็นสุกก็อยากทำให้เขาเป็นสุขเราะเขา กปความสุขแบบเอาต้องได้สนองความต้องการที่จะเสพเพื่อตอนเองเนะี่ยเป็นความสุขแบบยัง่งฉิงถ้าเราสุขเขาทุกใช่แต่พอเรามีตัวเมตตากรุณาแล้วก็จะเกิดนิทานเป็นต้นขึ้นมาตอนเราจั ก, การที่เหลืออื่นๆนะ่ะการที่เหลือในกำลังร่างกายในตั้งก็มาหมดและไม่ใช่พเพราานหรอแต่ทานนี่เป็นตัวเริ่มต้นเป็นของเห็นง่ายเป็นวัตถุนี่มันทำให้เขาเป็นสุขอย่างที่ว่าเห็นเขาหน้าตายิ้มแย้มเบกบานผอมใสเด็กเ่นเริงยิ้มหัวเราะอะไรต่างๆคนญาติยมที่ไปเลี้ยงเด็กก็เรื่องมีความสุขไปด้ี้ ก็ยังไม่ใช่ท่านี้แหละเ น, นี่ยแตมายกตัว อ, อย่างความสุขมันยังมีได้อื่นอีกนะเช่นอย่างสมัยที่เราไม่มีวัตถุเสจมาก น, นัคนจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากนั่แล้วคนเราก็สามารถมีความสุขกับธรรมชาติได้ใช่นซึ่งคนสมยนัยนี้หลายคนเลยแตกแยกออกไปห่างเหนไปทั้งว่าไม่รู้จักมันนานๆแลความผัแทนนี่ก็เรียกร้องขึ้นมาแลความสุขธรรมชาตินั้นไม่ต้องจ่ายสตง แต่เนี้ต้องจัดจ่ายแล้วนะเดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันหายากใช่ไหมงีาไปอยู่ไกลๆต้องเสียเงนนั่ขับรถเราไปไกลกว่าจะได้ไปเจอธรรมชาติคนสมัยนี้ก็ขัดแคนความสุดด้นนี้สมัยก่อนนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินได้เห็นท้องฟ้าได้เห็นสายอะไรสัมผัสสายลมได้ดูคลื่นในทะเลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขคนะวามสุขอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญคนเราเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องมีสลับให้ได้ดื่มด่ำความสุขจากการใช้วัตถุดินล้นบุญไม้ก็ชีวิตก็ไปแบบหนึ่งในบางท่านเราก็ต้องการควาเองบ ความสุขแม้แต่ที่เกิดจากการมีเมตตากรุณานะเห็นคนอื่นเป็นสุขเราก็สุขด้วย เ, ยเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เกิดเป็นความผูกพันนะมันก็มีทั้งคุณและโทษนี่ถ้รักษาตัวไม่ดีก็เกิดความอ้างวางัง ว, ว้านวะีเนี่ยบางคนก็ตายไปว่าอยู่คนเดียวลาพังก็ได้แล้ว่วาว้าวจิตใ จ, จไม่สบายเอาอีกแล้เนี่ยก็แสดงว่าเสดุลนีกแลนะก็ต้องมีความสามารถในะการที่ว่าก็อยู่ร่วมกันก็มีความสุขดีนะมีความปรารถนาดีเพื่อหรือเกิดกุลกันแม้อยู่ลพังก็มีความสุขได้อันนี้ก็ต้องทำทั้งไหนแหละความสุขอย่างเมื่ คือความปรารถนาจะให้คนอ่นเป็นสุขแต่เสร็จแล้วมันก็ จ, จะเกิดความผูกพันขึ้นมาก็เป็นสเสน่หาตอนนี้มันจะทุกมาได้ถ้าก็ต้องให้รับสายอิสรภาพไปอีกไหมแต่ความสุขในชนมุมชนเมื่อกี้เราพูดถึงความสุขในวัตถุ ก, ก่อนใช่ไหมแล้วเราขยับมาความสุขชุมสังคมเราให้มีอันนี้ด้วยอย่างน้อยก็ให้มีดุลยภาพแล้วเสร็จแล้วมันก็มีโทษอีกถ้าเราวางจิตไม่ถูกต้องเราก็เกิดความอ้างว่าววา ย, ยอย่างที่ว่าน้อยเหงาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ดูได้ด้วยตนเองหมดไม่ว่าอยู่ใน แต่ความสุขในสมาธิก็ยังมีโทษได้อีกนะพอสุขแล้วมาทุนจิตใ จ, ใจใสมสงบ น, น่อันนี้ก็จะติดสุขในสมาธิได้อีกแต่ดียอนะเรบอลในสุขสมาธิหมายความว่ามีความสามารถในการสร้างความสุขให้กับตัวเองคือแต่ก่อนที่ไม่มีความสามารถในตัวเองี่มันต้องไปหาสิ่งภายนอกไปพึ่งันตอนนี้อยู่ลาพังก็สร้างความสุขได้โดยการพัฒนาจิตใจทำสมาธิจิตใจมป็นความสุขเกิดมีควานทุกมีปัญหาเดือดร้อนเราทุ ก, กทั้งภายนอกนะแต่ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังมีเวลาให้จิตได้พักไม่ต้องไปอาศาัย <laughs> อันนี้ถ้าหากว่าเราไม่พัฒนาความสามารถภายในที่จะทำให้มีความสุขเรากนะ็ไปพึ่งพงยานพึ่งยาเรางับประสาทยานอนหลับเป็นต้นอันนี้ถ้าหากว่าเราทำได้เราก็สร้างความสุขในใจตัวเองสิเราก็อยู่าพังนะเรามีปัญหามีความทุกข์แม้แต่เรื่องเทกท่กกทงมีเวลาติดตัวไปนั่งสมาธิจมจิตใจให้สงบได้แต่ทีนี่ว่านี่ดีแต่ว่าเราต้องวาทุกอย่างแลนะ้มีแง่ดีไงสเนี่ยนะที่นี่ก็ติดสุขเพลินแล้วที่นี่เวลาได้ทำสมาธิแล้วไม่อยากไปทำอะไรไม่อยากไปไหนแล้วนะอันนี้ก็จะทำให้ประมาทไอ ทางธรรมวท่านสอนไปเลยนะท่านบอกว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกับโสัชะโอสัชะเป็นภาษาบาลีแปลว่าความขี้ก <c oughs> ีคาลานที่คนที่ได้สมาธิเนี่ยมันจะเพลินสบายจิตมันจะนิ่งสงบมันก็กเฉื่อยชาก็จทให้เกิดทานได้ง่าและท่านก็ต้องให้ประมาทไว้ก็ต้องกล้าไปอีกกล้าไปยังไงข้าก้าไปสุ ข, ขั้นปัญญาคนเราที่จะสุขที่เป็นอิสระและไม่ตกเป็นานของความประมาทไม่ตกลุมความประมาเนี่ยต้องไปถึงขั้นปัญญาปัญญาก็คือความเข้าใจโลกและชีวิ ต, ตเป็นจริงนี่ยเราเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกอย่าง ท, ทา เราก็จะมัวมาเอาตามชอบใจไม่ชอบใจเราได้มากเร า, า, าอยู่กระติดใจทางพระท่านบอยู่กระติดใจนะั่นไม่พอนะม่แต่ทำสมาธิก็ช่วยได้เพียงโชคคราวสมาธิเนี่ยเป็นสุด ป, ประเภทโชคคราวนัเรียกว่าเป็นทำให้จิตหลุดพ้นไปจากปัญหาได้ชั่วระยะหนึ่งเรียกว่าสมยัวิมุตนีอันนี้มันไม่เด็ดขาดไม่ถ้าบอลใครๆกลบหรือทาไว้ยาบงอกขึ้นมากาหินได้ทมันไหแล้วมันก็เงียบไปเอายกหินออกไปมันก็งอกขึ้นมาอีกแล้วก็สมาธินี่เป็นระบบนอกจากทไว้ก็คือระบบทดแทนหมายความว่าจิตของเราเนี่ย เข้ามาอยู่ได้โดยที่ว่าไอ้ฝ่ายร้ายเนี่ยไม่สามารถมาป้วนมาได้ทีใช่ไไอ้ติดเราเนี่ยมันอยู่ได้สสิ่งเดียวเชื่อไหมทีนี้เราเอาไอ้ฝ่ายดีเข้ามาทีนี้คนที่มีสมาธิก็เอาไอ้เจ้าตัวดีแล้วามาอยู่ประจาเลยไ อ, เอไ้เจ้าร้ายเข้ามาไม่ได้ก็สุกตลอดเวลานั้นเีมาป้นไม่ได้ทีถ้า ม, ามันร้ายมอยู่มันเป็นปัญหาเราก็เอาฝ่ออายดีเข้ามาอยู่ใช่มก็เป็นระบบทดแทนก็เอาปัญหาไลออกไปซะเอาอารมณ์ที่ดีเข้ามาอยู่ําหนดอะไรก็อยู่กันสุสมาธิก็ใจนแน่อย่างเนี้ยแต่วิธีนี้ก็อย่างที่ว่าแหละ นั้นก็ต้องให้ใช้ปัญญานันในที่สุดพุทธศาสนาก็ต้องถึงขั้นปัญญาอย่งพระพุทธเจ้าเรี่ยคือตัสรู้มาบอกว่าปัญญารู้ก็คือปัญญาใช่ไหมโพธิญาโพธิก็คือปัญญาความตัดสว์รู้เป็นพุทธะก็คือพุทตื่นพ้รู้อุทบานมองเห็นอะไรเข้าใจตามเป็นจริงหมดมีปัญหามาก็ไม่ใช่ว่าเออเราเอาตามชอบใจไม่ชอบใจคนเรานี่ถ้าอยู่กับติใจมันก็จะมีเรื่องชอบใจไม่ชอบใจได้สิ่งชอบใจก็เป็นสุขเจอสิ่งไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์เนี่ยสิ่งชอบใจหายทุ อันนี้ถ้าปัญญามาเนี่ยมันก็ไม่ติดอยู่แค่ชอบใจไม่ชอบใจอย่างน้อยมันก็เริ่มมองตามเหตุปัจจัยนีคนที่มีปัญญาเนี่ยมันจะพลิกให้สังเก ต, ตุสังขารถือว่าคนเราเนี่ยขั้นต้นๆเนี่ยู่ควชอบใจไม่ชอบใจแสวงหาสิ่งชอบใจนี้สิ่งไชอบใจอยู่เนี่ยอันนี้พอเราเริ่มใช้ปัญญาเนี่ยเราจะเริ่มมองอะไรไสายตาใหม่คือท่านบอกว่าให้มองตามเหตุปัจจัยนี่พอมองตามเหตุปัจจัยแล้วทีนี้จะชอบใจไม่ชอบใจไมเกี่ยวนีมองว่ามันเกิดอะไรมาเป็นยังไงไงอัตมาย เราก็ขัดใจใช่มคนเรานี่มันเอาที่ชอบใจเนี่ยเราก็อยากให้เขาพูดดีกับเราเราไปททายเขาก็เคยพูดตั้งวันวันนี้ไม่ยอมพูดด้วยหรือพูดไม่ดีพูดไม่เพราะเราก็ไม่ชอบใจเราก็โกรธสใช่ใจเขาเราก็ดิไม่สบายแล้วเร่เกิดปัญหากับตัวเองก็เปลี่ยนซะให้มองตามผิดปัจจัยมองตามผิดปัจจัยไม่ใช่ปัญญาถ้าไม่มองแค่ชอบใจไม่ชอบใจพอชอบใจไม่ชอบใจไม่เกี่ยวก็มองเอ๊ะเาเป็นอะไรเออเาหน้าตาไม่ดีเขาไม่พูดเพราะอะไรนะเาอาจจะมีปัญหาก็อาจจะเดินทางมาเราตั้งแต่ออกจากบ้านอาจจะมีลมค้างอาจจะถูกคุณ พอเกิดความรู้สึกมองตามเหตุปัจจัยนึกว่าเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มเกิดคุณธรรมคือความกระุณาสงสารเลยนะใจมันเปลี่ยนมันไมีความหมดาุดพีเลยตัวตนไม่เกิดทเรกตัวตนไม่เกิดคือคนเราพอมองชอบใจไม่ชอบใจมีตัวตนทีเดียวมันจะมีตัวเราตัวเขาตัวที่ถูกททกทแลตัวที่ถูกขัดแต่พอมองตามเหตุปัจจัยตัวตนมันละลายหายเยมันไม่เกิดมาเลยมันมีการมองสิ่งต่างๆที่เป็นไปเกิดขึ้นอยู่เนี่ยที่พิปัามาเียนี้ มันมองไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะสืบคน้นมันก็จะมองหาเหตุผลใจิตใจมันก็เริ่มคล้อยไปตามอความที่คิดคัดว่าอาจจะเป็นด้วยเขาไม่สบายใจนะเราต้องไปช่วยเหลือเขาเออตอนนี้เขาอาจจะยังต้องก า, ารวาความสงบเยุอเยนเะนเดี๋ยวเขาดีขึ้นหน่อยเราหาโอกาสเาทัถามามันเป็นเพราะอะไรเราจะได้ช่วยคนาได้เราก็ไม่มีปัญหาด้วยแล้วเราก็อาจจะมีโอกาสไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาด้วยนะนี่เรียกว่ามองตามเหตุ ป, ปัจจัยเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านอยู่ในอะไรสถานการณ์ในที่ทำ ง, งานเนี่ยเราก็เริ่มเปลี่ยนท่าทา มนุษย์เราเนยอยู่ในโลกรเราก็รู้ตามเป็นจริงของพระเจ้าสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะต้องเรียนรู้ทำไมศึกษาแล้วจะเอาดีไม่ได้นะคนเราเนี่ไเหมือนสัตว์นิดอื่นมันอยู่ได้ดสัญชาตญาณมันเกิดมาแล้วมันก็เรียนรู้ตามพ่อแม่มันเดี๋ยวเดีวหา ก, กินได้ก็อยู่ไปอย่างนั้นตลอดชีวิตแต่มนุษย์เรานี่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถายอะไรไม่รู้ต้องเรียนต้องหัดหมดเลยอยู่กับพ่อแม่ต้องเป็นศิษย์ปีกว่าจะเรี้ยงตัวได้ใช่ไหมศิษย์ปียังเรี้ยงตัวไม่ได้เา ไปเป็นพระพุทธเจ้ า, าก็ได้ทําไมหยุดฝึกหัดศึกษาพัฒนาตัวเองไม่หยุดก็เดินหน้าไปเป็นพุทธจ้ า, าก็สร้างอสริยธรมาเป็นมนุษย์ี่เอาอยู่ดีได้ดดการฝึกฝนพัฒนาตนนะพนะุทเจ้าก็ตัดให้หลักเราไว้ลบอกว่ามนุษย์ี่เป็นสัตวต์ที่ประเสริฐในการฝึกต้องย้ำกัน บ, บ่อยๆเพราะคนไทยเราจำมค่อยครบคือคนไทยเรานี้มันจะจำแค่ว่ามนุษย์เป็นสัตวต์ประเสริฐนะาท่านไม่ได้ยอมรับนะประเสริฐที่ไหนเรามนุษย์เนี่ยเมาแล้วเนี่ยลองให้อยู่เฉยๆดีไมไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยอาอย่างเดียวเราตัวไม่ร อาจรย์พระตัว่าในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐนจถือมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกแล้วก็เติมได้วา่าถ้าไม่ฝึกเ้าประเสริฐไม่เจาไม่เลยในหลักเนี่ยนี่ถ้าไม่ฝึกรไม่ประเสริฐานาเราต้องฝึกถ้าฝึกไปแล้วเนี่ยจะเป็นได้กับาพระพุทธเจ้าเลยเราจึงได้ตั้งพระพุทธเจ้าไว้เป็นต้นแบบนะที่เป็นสาระนนที่ขเขาผนึใจเราว่าเราจะมีชีวิตดีประเสริฐได้ก็ฝึกฝนศึกษาพัฒนาตัวเองเรียนรู้ไปอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยวันนี้ชีวิตของเราต ทำไมเราดว่ชีวิตเป็นการศึกษาถ้าพุทธศาสนานในชีวิตเป็นการศึกษาท่านจึงถือักการศึกษาแล้วานเนี่ยบวชมาเพื่อศึกษาเนี่ยจนกระทั่งมรณภาพก็เรียนไม่ตกาเป็นพระอรหันนะก็ต้องศึกษาเรไปถ้ากาแม้จะมีพรรษาเปสพรรษายังไม่ได้เป็นพระอรหันก็ต้องศึกษาตลอดนี่ชีวิตของเราเป็นการศึกษายัางไงล่ะเรามีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยเราเจอโ น, โนเจนี่ใช่เจอสถานการณ์ใหม่ๆไปที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ต้องหาทางปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นเราต้องรู้จ รเราศึกษาอยู่เรื่อยลถ้าเราไม่ศึกษาล้วก็โง่ติดตามจไปไหนไม่ได้เป็นชีวิตที่ดีไม่ได้เลยถ้าไม่มีการศึกษานั้นชีวิตวงเล็บที่ดีคือการศึกษาเพราะว่าชีวิตมันจะอยู่ได้มันต้องคิดหาทางปฏิบัติต่อสิ่งต่างที่เจอเนี่ยให้ได้ให้ถูกต้องให้ได้ผลดีก็คือการศึกษาตลอดเวลานี่ถ้าคนเอาประโยชน์จากอันนี้ก็จะฝึกตัวมองทุกอย่างเป็นการศึกษาหมดเป็นโอกาสฝึกตัวเองนี่พอเราได้อันนี้นะมันได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในเร่องความสุขด้วยคือเจออะไรมองเป็นสถานการณ์ที่จะได้ฝึกตัวเอง เราก็มีพนาทีดีขึ้นใช่เราก็หายทุกขแล้วก็อมองว่าเราจะได้ดังั้นต่อไปคนอย่างเงี้ยจะฝึกตัวเองตลอดเวลาต่อไปเจออะไรยากเนี่ยไม่กลัวคนเรานี่พอเจออะไรบางคนนี่พอเจอต้องทำทุกเลยนี่พอคนที่มีจิตแบบเนี้ยนะจะเรียกว่าจิตสำนึกในการศึกษาหรือฝึมกมได้พราเจออะไรแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันได้ฝึกและมันจะรู้สึกว่าจะได้พอรู้สึกว่าจะได้ไปได้ทางชีวิตได้ที่แ ท, ท้จริงเป็นสาระแก่นสารก็จะมีความดีใจสุขภาพจิตก็ดีนี่คนเราเนี่ยถ้าเจออะไรง่ายเนี่ยมันได้ฝึกตัวเองนอ ตอนนั้นเด็กที่ได้ฝึกไปแบบนี้ตอไปลายเก่เงๆแข็งแรงร่งสุขภาพ ด, ดีกันไม่ทุกนะเด็กันนี้นไปเจออะไรยากก็โอ้จะได้ฝึกตัวเองมากใช่ดีใจเนะี่ยเจอทุกนะเพราะฉะนั้นในทางทศาสตราจิตไม่รูทุกยอาทุกนี่จะทำให้เป็นราได้ใช่ไมถ้าใครไม่เจอทุกจะเป็นรคใจเจ้าได้ไงต้องฝึกต้องสูไต้องอะไรสู้นะ ER ER pushed, ในเจอปัญหาเจอทุกได้เรียนรู้ได้ฝึกตัวเองหมดโดยเฉพปัญหาได้เป็นที่รับปัญญาเลยนะใครเอาชนะปัญหาได้คนนั้นก็ตื่ปัญญาจริงไหมปัญหาคู่กับปัญญาไอ้ตัวเนี้ยมันไปเขตในตัวเลยป ปัญญาอมาปั๊บปัญหาหายไ ป, ไปนี่เดินหน้าไปเยอะเลยใช่ไหมต่อไปนี่ชีวิตจริงจะอามถ้าเราดูศึกษาชีวิตมหาบุรุษทหลายเนี่ยมาจากการสู้ปัญหาแก้ปัญหานั้นนะและอยางพุทธเจ้ากา ร, ราบารมีคืออะไรก็คือารที่เจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆไม่เคยยอ่อท้อใช่ตัวเองไปนะยิ่งยากยิ่งดีและก็เลยแทนที่จะเจอปัญหาเจอเรื่องลบากเราเป็นทุกข์ไม่ทุกข์มีความสุขตลอดการเลย ทุกอย่างถ้าฝึกตัวเองปฏิบัติตามธรรมะแล้วมันมีแต่จะลึนนององามและในที่สุดก็เปชีวิตที่สดใสมีความสุขอยู่เต็มอิ่มในตัวเองในที่สุดฝึกไปฝึกมาได้ครบแล้วก็มาอยู่ขัดจิตใจไม่เกียงธรรมาบอกก็ไปถึงปัญญาเพราะปัญญารู้ข้อใจชีวิตโลกมองตามความเป็นจริงนมองตามเหตุปัจจัยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เอาแค่ตามชอบใจไม่ชอบใจไม่เห็นความอยากความต้อาแล้ว น, นี่มันพัฒนาไปถึงปัญญาแล้วพิจารณาว่าเออสิ่งนี้มันจะสเร็จไม่สำเร็จมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของมันถ้าเราจะทำให้มันสเร็จ นิทานว่าทไปแล้วเออเราก็ว่าเราทเต็มเหตุจัยแล้วไม่สำเร็จออก็จะไปท่อมันมันแน่นอนมันต้องมีเหตุจัยที่ขัดขวางใสแใจเข้ามาใช่ไหมมีตัวแปรตัวอะไรเราสท้ายอีกปัญญาเราก็แล่นข่มยิ่งคือพัฒนาตลอดเวลาเราก็ไปดูว่าไอ้ตัวไหนยังขาดไปในเหตุบรรจัยนั้นเราไปแก้ไปเสริมทำครั้งหน้าจะดียิ่งขึ้นไม่ประมาทในการศึกษาก็แก้ปัญหาไปด้วยเจริญกา้าวไปด้วยใจก็ไม่ทุกข์ไปด้วยประรสบความสาเร็จยิ่งขึ้นใช้ปัญญาต่อไปต่อไ ป, อไปมันเคยมันอยู่ด้วยปัญญามไม มันเป็นไปตามใจอยากของเราไหมถามก็ไม่เป็นใช่ไหมนี่ถ้าท่านเอาความอยากของใจไปจำกัามันอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็ต้องเจอการขัดแย่งตลอดเวลาใช่ไหมเพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่เป็นตามชอบใจจริงนะจริงเราทำไม่ได้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากของเราถ้าเราเอาใจอยากของเราไปยึดมัน้าไว้นะถ้าเร่งตันห้าวบาดฐานเกิดมันก็เกิดการกระทบกระทั่งใจอยากของเรานี่เคยเทียบมาให้เหมือนเป็นกระแสหนึ่งนะกระแสของความอยากของใจของเราเราชอบใจอยากให้เป็น แต่สิ่งทเนี่ยมันไปตามกระแสไหนมันเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยของมันใช่นีสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยของมันแต่ว่าเรามีกระแสใจอยากของเราที่มันไม่ตรงกับกระแสเหตุปัจจัยแล้วมันไปทางไหนนมันไปตามเหตุปัจจัยทาชนะกระแสเหตุปัจจัยชนะใช่ไหมกระแสเหตุปัจจัยชนะเราก็แพ้สิเพราะมันไปตามกระแสเหตุปัจจัยมันไม่มาตามกระแสใจอยากหรือความชอบใจของเราเราก็ถูกกระทบกท่านิ้มพันก็แทะกันเจ็บปวดเราก็ทุกน เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าอย่าเอาเรื่องใจอยากหรือความชอบใจไม่ชอบใจมาตั้งอันนั้ น, นเป็นปัหา ป, ปาทานเป็นกระแสที่ิมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจรงิงท่านก็บอกอปัญญามาแทนปัญญานี่มันจะรู้ตามความเป็นจรงิงเพราะมันรู้นี่มันไปมองที่กระแสเหตุใจเลยใช่ไอันนี้ปัญญามันเกิดเป็นกระแสใหม่กระแสปัญญาคือกระแสความรู้มันจะตรงกับกระแสเหตุใจของสิ่งนั้นใช่ไมกระแสปัญหาเนี่ยเป็นกระแสคนตอนแรกกระแสคนกับกระแสความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายมันขัดกันกระแสคนก็คืออยากให้เป็นอย่างนี้ กระแสความจริงของสิ่งหลายก็ไปโ้นตามเหตุปัจจัยก็ใช้คาว่ากระแสคนกับกระแสธรรมันขัดกันกระแสคนก็คือกระแสความอยากกระแสธรรมก็คือกระแสความเป็นจริงของเหตุปัจจัยมันก็ขัดกันเ่เรื่อยก็ทุกข์เยทีนี้พอเราใช้ปัญญาก็เปลี่ยนกระแสคนใหม่จากกระแสตัณหาที่อยากมาเป็นกระแสความรู้เข้าใจตามเป็นจริงก็มองที่เหตุปัจจัยกระแสปัญญามันก็ตามดูปตามเหตุปัจจัยแหละมันก็เป็นกระแสเดียวกันไปเลย พอกระแสคนเป็นกระแสปัญญากระแสคนเกระแสธรรมกลายเป็นกระแสเดียวกันกลมกลืนกันไปเลยทีนี้ไม่ขัดกันแล้วกระแสปัญญากัรู้ไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นตามศึกษามันเป็นคนทาไปตามนั้นเราก็ศึกษาเหตุปัจจัยทำที่เหตุปัจจัยได้สำเร็จไม่สำเร็จก็คนดูเหตุปัจจัยก็พัฒนาแก้ไขกันต่อไปถ้อยู่ในปัญญามันก็ไม่ทุกเนื่อเพราะมัเป็นกระแสเดียวกันกระแสคนกระแสธรรมมันกลมกลืนกันประสานกันได้แต่ถ้าจะเอากระแสตันหาให้กระแสคนเป็นกระแสตันหาแล้วต้องทุกเดือดร้อนตลอดการเลยอันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งท แล้ต่อมาบอกให้มีจิสตสนึกในการฝึกตนมองอะไรต่ อ, อะไรเห็นเป็นเรื่องการได้ศึกษาได้ฝึกตัวยยิงยากยิงได้มากอะไรเงี้ยมื่อเดินหน้าไปอย่างเดียวนะีแล้วก็ต่อไปนบอกให้มีโยนิสงสการโยนิสมสิการก็ให้รู้จักมองสิ่งต่างๆมองเป็นนะีมองยังไงท่านบอกก า, ารมองเป็นของคนเนี่ที่เป็นโยนิสมสิการเนะี่ยมันมี อ, อย่างคือห่ ง, หงมองหาความจริงองมองหาประโยชน์เวลาเราไปเจออะไรเขาเราตั้งท่าทีให้ถูกก่อนถ้าเราตั้งท่าทีชอบใจไม่ชอบใจเกิดเรื่องเนี่ยนะีเราก็ตั้งท่าทีว่า1นมองหาความจริงสองมองหาประโยชน์ มองเห็นประโยชน์มองเห็นความจริงอันนึ่งก็เรื่องหาความจริงเขมนุต้องมองเยใช่หมเนมองสืบสาวเหตุปัจจัยอะไรก็หาความจริงไปแต่บางเรื่องมันเป็นของธรรมดาไม่จเป็นต้องหาความจริงมันรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ตั้งท่าทีถูกต้องมันก็เป็นเรื่องความชอบใจไม่ชอบใจกท่เป็นทุกข์เราก็ตั้งท่าทีสมัยว่ามองให้เห็นประโยชน์นั้นอะไรอะไรก็ตามที่มันอาจจะชอบใจมานชอบใจบางนมองให้เห็นประโยชน์หมดนะหรือมองหาประโยชน์จามันอันนี้ไม่เหมือนกับมองแง่ดีทีเดียวนะคือเขาสอนก็ว่าใหม้มองแง่ดีมองแง ก็ไปเจออะไรไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ไปหมดไปเจอนะเดินจ ไ, ไม้แห้งกับใจเสียแหละบางคน <laughs> ไปเจอไปไม้เขียวแล้วก็สบายเป็นสุขในะตะบง <laughs> ังแพทานไปเจอไปไม้แห้งเลยสําเร็จเป็นปราอรันไปเลยทนะมองให้เป็นก็มองหาความจริงแล้วมองให้เห็นประโยชน์นั่นเราตคติเนี่ยไปเจออะไรมองก็มองให้เห็นประโยชน์ะัสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่ดีมีชั่วหรอกในที่สุดในขั้นจิตเนี่ยท่านแยกเป็นดีชั่วใช่ไหมที่เป็นวัตถุอะไรต่างๆภานอกน่ยแต่ถ้าเป็นขั้นสุดท้ายตามความเป็นจริงมันเป็นสภาวะธรรม แม้แต่ว่าอย่างที่พิจารณาสุภาษ์เนี่ยนีก็เป็นเรื่องระดับสมถะในวิปัสนาเขาไม่มีแลวิปัสนาเป็นปัญญามันไม่มีและสวยไม่สวยไม่เกี่ยวจ้สิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างเดียวกันเนี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยปรากฏในรูปร่างต่างๆแต่พวกสมถะยังต้องการสมาธินี้ก็จะมีแยกสวยไม่สวยเป็นต้นพอเป็นปัญญาก็มองตาเป็นจริงไปหมดนี่มองตาเป็นจริงอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างก็มองใเห็นประโยชน์ทีนี้ไอ้สิ่งทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งมนุษย์ตกลงกันว่าดีว่าชั่ มักจเป็นไปตามชอบใจไม่ชอบใจอันไหนชอบใจก็ดีอันไหนไม่ชอบใจ ก, ก็ไม่ดีนี่อันนี้มันก็เป็นอันตรายอันนี้ก็เลยที่อยู่ที่มนุษย์เนี่ยมาตกลงกันาอย่างนั้นนี้เรามองที่ความเป็นจริงเราต้ไม่ถือตำนั้นมองไปอะไรที่มันคนทัตรร้ายไปเลยเราก็มองให้เห็นประโยชน์ได้หมดมองหาประโยชน์ให้ได้ก็ต้องสตัวเองอะไรที่ไปเจอที่ว่าไม่ดีก็มองให้หาประโยชน์ให้ได้แน่ที่จะเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ังนั้นอย่างฝึกเด็กสมัยนี้ก็ต้องฝึกเช่นให้ดูทีวีดูอะไรแต่ละให้เป็นเนี่ยตอนนี้สำคัญเลยการศึกษา นี่ถ้ามองเป็นเนี่ยมันก็จะเห็นประโยชน์เอามาใช้ได้แลพัฒนาความในการพัฒนาเด็กเนี่ยก็จะมี2องหลสวนกันคือตามหลักท่านบอกว่าให้เราเป็นกัาณมิตรช่นน้ยพ่อแม่เป็นกัญญาณมิตรก็พยายามหาสิ่งที่ดีมาให้เด็กให้เด็กได้พบเห็นสิ่งที่ดีได้ยินสิ่งที่ดีอยู่เสมอแลก็จะได้สิ่งแวดล้อมมากรองกลาเขาให้ดีชักนำไปในทางที่ดีแต่เราก็ต้องรู้ตัวว่าเด็กอยู่ในโลกเนี่ยมันจะได้แต่สิ่งที่เราเลือกอาพัฒนาเป็นไปไม่ได้เด็กจะต้องไปเจอสิงส่งที่ร้ายสิ่งที่อะไรเด็กจะต้อง อนิจจังทุกครั้งหน้าตาในคนไม่ชอบใช่าจะยังให้มองเป็นให้เอาไปดดได้มให้ได้เมื่อเป็นอนิจจังก็ทำไงามันไม่เที่ยงสินทุรไลนคงที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ่งรอบตัวเราทั้งตัวเรา่เราจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้เร่องระมาทนันใช้เวลาให้เป็นดูดมีอะรคนทำริธ่งนี้ปนะหรือว่าามาดาเราแล้วเราก็เออคนมาด่าเรานี่ยเขาเขาคิดไม่ดีต่อเราแต่เราไปโมไปโกรธเราไโทษต่เราไดเราก็ไม่ดีไปด้วยแล้วคนที่จะมาด่าเราได้นี่เขาต แล้วบางทีเรามองตัวเองไม่คออกคนอื่นมันช่วยมองให้ดีๆไม่้ได้ราบั น, นเบสเลยเข้มาดา่าดิไอวยคิดใต่ฉนดันเจวันมาดา่าชันดิฉันได้เยอะเลยเอาแง่ ม, มุมมาคิดปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองได้เยอะเลยนะอนีถ้ า, าเราคิดไม่เป็นเราก็ได้่ดบใจไม่ชอบใจก็โกรธกาดา่าต่อไปอยู่ที่นเองใช่ไหมไม่ได้อะไรมานั่นก็นี้แหละโยนิสมัชิการเป็นหลักที่สาคัญเนี่ยจะมาพูดคนเดียวยาวเยอะแล้วนะก็ <laughs> <laughs> <laughs> ให้ยอดโยมถามบ้างก็ <laughs> น, นงแงเดี๋ยวขออภยัยเคยเรื่องความสุขเลยเลยไปเรื่องอื่นไปเลย ครับ า, าอาอบาเรื่องขนี่นนบางครั้งจะเลยเป็นเรื่องของอัตาไปได้ฮะ า, ารักษาคนไข้เนี่ยเขานะสึว่ารักษาดีก็เกิดความภูมิใจกับควา ม, ใวามีใจแต่จริงรักษาบบเดียวก็จริงไข่กตายอาจจะเป็นปัญหาว่าือคุณ น, คน์พานี่ือเป็นเรื่องของุธรรมาตรงนี้เนี่ยเอ่อาอจยดอย่างไรแล้วก็จะสร้ยังไง ใ, ให้เราเนี่ยสร้างความเ็ยสุขรรไปเลยไม่เกิดความอัตราขึ้นเรื่อยนะจะตักยังไงคืออัตาเนี่ยมันจะมากับปัญหา แล้ก็อุปาานก็คือความอยากความยึดยึดตตตนตน้มาถ้าเราคอยใช้ปัญญานะในี่ยจอัตตาเกิดยากมันเป็นกระแสตรงข้ามันคอยกันคอยทำลายคอยละลายปัญญามันจะละลายอัตตาได้เพราะนั้นเราต้องคอยใช้ปัญญาไว้อย่าให้ตัวความอยาก ห, หารือปัหาที่ขครอบงำจิตใจ น, นี้มุษลดตัวเราก็ต้องอยอมรับเป็นต่เพียงว่าเราไม่ประมาทและระวังให้มีสติคอยกำกับม่เชนั้นเราก็จะเพลิดเพลินลงตัวเองก็จะเกิดว่าโอ้เรารักษาได้เกิงนี่ฉันเน่เอาแล้วนี่ถ้าเรียกาอัตตาเกิดตัวตนมาหน้าเลยมาหน้าว่าฉัน ไม่สบาย ก, ก็คือว่าเราก็พัฒนาตัวเองไปด้วยในขณะที่เรารักษาคนไข้เราทําความดีแต่อย่างที่ว่าฉันว่าเราอยากให้เห็นอยากเห็นคนไข่มีความสุขเนี่ยพราะทำให้คนไข่มีความสุขได้นี่คุณหมอจะชื่นใจเลยใช่ไหมปิติิ่มใจบางท่านนี่ไปนอนอิ่มใจนานเลยเน่ยใช่เป็นสุขจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจหนึ่งในแง่งานเราก็ต้องการให้ทํางานได้สําเร็จผลนะรักษาคนไข้หาย2ในแง่ของความสัมผัสระหว่างนุษย์เราก็ปรารถนาดีต่อกขาเขาอยากให้เขาคนทุกมีความสุ ข, อ ย, สข อ, ยอยากให้เขาคนทุกเรียกว่ากุลน่าอยโรคคมีวามสสุขกให้เราเป็นสุขเรียกว่ื เ, เมตตาเนต้น ถ้ามานนี้ก็ท่านก็ให้ระวังตรงนี้แหละพรบลืมใจแล้วก็จะเกิดอัตราขึ้นมาได้ตอนนี้ก็เราก็ท่านบอกให้มีสติกำัก็ระวังยิยบมาอย่าประมาท ก, ก็หมายความว่าให้ดูว่ายังมีจุดอ่อนจุดที่ต้องแก้ไขที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้การทางานครั้งต่อไปได้ผลดีขึ้นถ้าอันนี้ยังมีจุดอ่อนยังมีแหวจะหายแต่ว่ายังมีไม่สมบูรณ์ตรง น, นี้นี้อ่าต่อไปจับจุดได้แล้วรักษาคร้ต่อไปคนต่อไปจะดีกว่านี้ใช่หมหรือว่าคราวนี้รักษาได้เต็มโดยสมบูรณ์นั่นแหละแต่มันช้า อสื า, สาตลอดเวลาใช้ปัญญาอยู่เรื่อยให้อัตตา ม, มาจิตัว า, าใช่ไมอัตตาไม่รัจับตัวใช่ไมเราไม่ให้โอกาสมันจับตัวเราเดินหน้าไปเรื่อยกระแสของกระแสปัญญามันเดินไปเขาจะเห็นได้เค่ะขาเรียนถามเรื่องนี้ต่อนะค ะ, ะคือเรื่องที่ว่าตราวจรัาคนไข้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้เขาก็หายรอไม่หา ย, หายถ้าพูดถึงความเป็นจริงก็คือเป็นเรื่องของเาใช่ไหเจ้าค่ะ ่ไหมคะคือเห ว, ว่าจริงๆแล้ว <ist> ก็เคยเห็นคืออย่างพี่หมอเพูดเหมือนกันว่ารักษาก็รักษาอย่างเดียวกันใจไปใจดวงเดิมที่อาให้เขาหายเหมือนกันแต่เขาจะหายหรือไม่หายนั้นก็เป็นเรื่องหนึง่งเป็นสิ่งนึงที่ท่านบอกว่าต้องมีปัร ญ, ญาที่จะต้องแก้ไขก็เรียนถามท่านว่าจริงๆแล้วที่ท่านพูดเรื่องก็ยกงเรื่องที่ท่านพูดถึงเรื่องของกระแสะคนนะคะ เ, <ล>เรื่องนะอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์ตามที่เราเกิดมาอยู่ที่นี้ที่เขาทราบกันอยู่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์ที่เราถ้าไม่ได้รับการฝึกไม่ พว่าผู้ที่เาสอนอะไรตรงนั้นเนี่ยก็คงไม่มีปัญญาพอที่จะไปรู้ว่าตรงนี้มีตัญหาเกิดขึ้นหรือยังแล้วก็ไม่สามารถจะเป็ีนตัหาหนปัญญาได้จ้ ะ, ะก็กลับไนถามซึ่ันว่าวิธีการจะทำตรงนี้จะคะจะทได้สกแค่ไหนสำหรับโอทิทอนที่ยังทงานกันอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ถามทีเดียลายประเด็นแล้วต่อมาเลยลืมประเด็นไลายประเด็นประเด็นแรกคเ่ของการรักษาก่อนจ้ะค่ะอคย้ำไปีลยค ค, คือประเด็นที่ถามว่าจริงๆแล้วเรนกลับไนถามซึ้กันว่าจริงๆก็คือเรื่องของหมอที่รักษาคนไข้กับการคนไข้หายไม่ได้เก ขรักษาก็หายไม่รักษาก็หายสรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายสมถ้ารักษาจึงหายทำไมรักษาตายครบอย่างหนึ่งแล้วอะไรอันละนะรักษาไม่รักษาก็ตายรักษาไม่รักษาก็หายไงใช่มใช่มเลยอมันมี4ทีนี้อันเนี้ยมันมีอันที่ว่าทำไมรักษาตายเพราะฉะนั้นหมอก็จะไปดูจะอยู่ในประเทศเดียวในสประเทศใช่คะเลย่อนก็เนี่ยประเทศทว่ารักษา จึงหายทำไมรักษาก็ตายหรือมางก้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นหะบุกาได้วยไปนันก็คือเป็นตามเหตุปัจจัยหมายความว่ามันมีเหตุปัจจัยที่จะต้องแก้ไขด้วยฝีมือหรือการะทําอกระบวนการรักษาของแพทย์เหตุปัจจัยส่วนนี้ที่จะมาอาศัยแพทย์ที่ว่าทำไมรักษาแล้วตายแลเราก็พูดกันแล้วก็ถือมาแล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็เหตุปัจจัยนี่มันมีหลายอย่างและเหตุปัจจัยนี่มันยกยืมได้นั่นเลยก่อนโรคบางอย่างเนี่ยคนไข้เขารักษาก็หายเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้หมอรักษาก็ได้ นีถ้าคนไทยมีความสามารถไอ้การรักษาเนี่เหตุปัจจัยมันยอะย่ไหนอ่ะาที่เหตุปัจจัยทางกายเหตุปัจจัยทางใจเหตุปัจจัยทางปัญญาถ้าแยกไป เ, เยอะเหตุปัจจัยทางอุตุเทอุตุคือสภาพแวดล้อมเหตุปัจจัยทางพืชทางพันธุ ก, กรรมเหตุปัจจัยเยอะอยู่หมดเลยอุตุนี่สภาพแวดล้อมนแล้วก็เรื่องพิชะนิยามนี่ทางกฎเกทางพันธุ ก, กรรมนั่นก็เรื่องของการกระทำคือกรรมของมนุษย์กรรมของมนุษย์ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนี่แต่ละปัจจัยปัจจัยเรานี่ยเราต้องถ้ำนีนี่อย่างบางคนเนี่ยแก เรื่องเดียวกันนั้นเรมีปัจจัยทางจิตถ้าเกิดแก้ทางจิตอาจจะหายได้ปัจจัยทางจิตก็ได้แล้วปรับจิตขึ้นมาก็แก้ได้เหมือนกันั้นมันไม่ใช่ตายตัวการรักษาไม่มีคตอบที่เด็ดขาดนอกจากบางเรื่องบางเรื่องต้องตอบติดตไปเลยแต่เรื่องทั่วไปนี่บอกว่ามันยัยงยุดหย่อยู่แล้วทีนี้ก็ย้อนมาที่ว่าเรื่องของอัตราแล้วเรื่องขการศึกษาด้วยนี่การศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าทาให้ชีวิตดีขึ้นคือเราสามารถเป็นอยู่ได้ดีขึ้นนี่คือการศึกษาเรามีชีวิตชีว เราเรียนรู้วิธีทำเราก็ทได้แวเราก็เป็นอยู่ได้ดีขึ้นในด้านพฤติกรรมการสรัมัิ่งนรนีการศึกษาจิตใจของเราเราเคยเจอเรื่องอย่างนี้เราท้อแท้หดหู่มีความทุกข์แต่ว่าเราฝึกขอเราใหม่พอเจอแล้วจิตใจของเราสู้เราเข้มแข็งเราไม่เสียใจไม่ท้อแท้อันนี้กาศึกษาหรือว่าเราไม่รู้ในสิ่งนี้ต่อมาเราหาวิธีคิดแล้วสือค้นอะไรต่างๆหาทางแล้วก็แก้ไขได้ทาได้สาเร็จเกิดความรู้เข้าใจขึ้นมาอันนี้ก็ศึกษาท่นั้นก็คือทาให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ดีขึ้นในระดับการศึกษาและเรียเรต้จร แต่ว่าสถานการณ์ใหม่อันนั้นประสบการณ์ใหม่อันนั้นบางทีมันเป็นเรื่องที่ว่าเราแก้ไขจัดการได้ง่ายเราก็เลยไม่รู้ตัวว่าศึกษาใช่มที่จริงีวเราต <inter view whirring> ้องพยายามตลอดแหละเราเจออะไรใหม่เราก็ต้องเรียนรู้จากมันาถือเยเราไปเจอสถานการณ์ใหม่เราก็ต้องหาทางก็จะปฏิบัติตัวต่อสถานการณ์นี้อย่างไรใช่ไหมเมื่ย่งญาติโยมมาวัดเนี่ยพอมาก็ต้องเรียนรู้เจอสิ่งใหม่แหละก็โยมก็ได้ศึกษานั่นการที่จะทาให้ชีวิตเนี่ยมันเป็นอยู่ได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือการศึกษาไทในระดับที่นิดแม้แต่ที่ว่าเด็กไปเข้าโรงเรียนอะไรจะเรียนกระบวนการ นี่ถ้าเรารู้หลักเอนี่แล้วบางทีเราต้องไปอาศัยโเรียนก็ได้ใช่เราก็ทำให้ชีวิตของเราเป็นอยู่ได้ดีขึ้นทางด้านพฤติกรรมการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมคือชีวิตขอเราเนี่ยมันจะมีอยู่สามด้านด้านที่หนึ่งก็คือความสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมเราสัมผัดได้หลายบ้าง 1. ชุดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยชุดเนี้ตาหูฟังเป็นต้น2ชุดการกระทำไอ้ชุดที่หนงนี่ทาเกว่าทารู้ทางรู้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ทางรู้แล้วก็สองทางทาก็กายทาโน่นนทวาจาพูดนั่นแล้วก็ แล้วก็เอมาก็ในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งที่สัมพันธ์ก็คือการเสพบริโภคสิ่งต่างๆทใช้ไมสอยเนี่ยเป็นชีวิตราที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาอยู่กับพืันนุต่างๆทั้งหมดเนี่ยแดนเนีเป็นแดนใหญ่ถ้าเราเป็นอยู่ได้ดีขึ้นเรากินอาหารเป็นได้ประโยชน์เราไม่เคยกินกินแล้วเป็นพวกับชีวิตแล้วเราสือกินเป็นได้ประโยชน์ขึ้นก็เป็นอยู่ได้ดีขึ้นเราใช้ตาดูฟังเราได้ความรู้เพิ่มขึ of of ้นแ้สดงเราก็ได้ศึกษาใช่ไหมการเคลื่ ความรู้สึกต่างๆความโกรธความเปลี่ยดชังหรความดีงานความรักความมีศรัทธาความมีใจผ่องใสเบิกบานมีความสุขมีปิติอิ่มใจอะไรต่างๆเราเนี่ยหรือความเข้มแข็งอ่อนแอของจิตใจความหวดหูท้อแท้ ด้วยความมีใจสู้เข้มแข็งมั่นคงมีสติมีสมาธิพวกนี้เป็นแดนจิตใจท่นั้นทีนี้คนเรายูไปถาเราฝึกให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นมีจิตใจบริบาลฟอร์มไซส์สดชื่นได้มากขึ้นแล้มีคุณธรรมมีความรับเบีตาได้มากขึ้นมีความต้อการที่ดีมากขึ้นนี่ก็ศึกษาใช่ไหมแลดนปัญญาก็คือความรู้มองสิ่งต่างๆได้ความรู้อะไรเป็นอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรแล้วอันนี้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเราียนรู้ไปรู้เข้าใจได้ปัญญาแล้วไปใช้เราก็ ศึกษาคือเป็นอยู่ได้ดีขึ้นก็คือแดนเนี่ยอาดูดนที่หสัมพันธ์สิ่งอดีขึ้นมสอแดนจิตใจดีขึ้นหมแดนปัญญาดีขึ้นไหมไม่ว่าดีขึ้นในแดนใดนี่คือศึกษาเท่านั้นและเด็กไปโรงเรียนก็จะได้ส่วนหนึ่งก็คือไปรู้สิ่งี่ครูได้สอนใหม่ๆเอาไปใช้วิชาชีพก็ได้ส่วนหนึ่ง้องแดนนึงแต่ว่าไเอาแค่นั้นแลแกศึกษาไปไม่รอดหรอกเชื่อไเกศึกษาที่ทาอยู่ในชีวิตเลยต้องให้ชีวิตอเราเนี่ยเป็นอยู่ได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้หลักนี้แล้วเราจะ เราใช้ประโยชน์จากโรงเรียนและสถาบารศึกษาได้ดีขึ้นอันนี้เปนสถานสองอย่างเราว่าเราจะใช้มันเราต้องใช้เป็นใช่เราไปโรงเรียนแล้วเด็กคนน้ประโยชน์จากโรงเรียนนิดเดียวไปมาวิทยก็ได้ประโยชน์จากาวิัยนิดเดียวแต่พอเรารุกจักศึกษาได้ประโยชน์เต็มที่เลยไม่ว่าไปอยู่ในสถานใดยพน่ามีอะไรอีกคบอาจารย์คะไม่ทราบว่าเมื่อกี้นี้ท่านได้กล่าวถึงความสุขสาแบบคือความสุขจากภายในภายนอกและก็ความสุขข้างหน้าไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ได้พูดถึงความสุขข้างหน้าแล้วหรือยังคะอ๋อความจริงมันก็ผลเดินอยู่อะเี๋ยวว่า คือถ้าเป็นความสุขขา้างหน้ามันก็จะเปสัมพันธ์กับความหวังเพราะคนเรามีความหวังในสิ่งที่คู่กันมันก็จะมาทันทีคือความหวาดหวังคู่กับหวาดเพราะหวังก็หวาดหวังก็จะได้ก็หวาดว่าอาจจะไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่จริงก็คือมันยังไม่มีันั้นคนที่ยังไม่มีแล้วหวังความสุขข้างหน้าก็จะมีทุกข์คือความหวาดอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดไปถึงตอนหนึ่งแล้วมันไม่มารถ้าที่ต้องการทุกเลยใช่ไหมแล้วถ้ารู้ชัดว่ิดหวังหมดเลยดังนั้นคนมันก็จะมีหลายประเนทหนย่งคนท แย่เลยเพราะแกก็อยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ก็ไม่มีหวังเลยาจะได้ alright. ทีนี้มีคนประเภทหนึ่งคนที่อยู่ได้ดยไม่ต้องหวังเออถ้าเรียกสั sen, ้นๆเรียกว่าคนที่ไม่มีความหวังเหมือนกันนะคนที่ไม่มีความหวังน BI, ี่ตงเป็นสประเภทคนที่ไม่มีความหวังก็คือว่ามันอยากจะได้น่นได้นี่แต่มันไม่มีทางเลยมองไม่เห็นทางเลยพวกนี้แย่ที่สุดและคนที่สี่กลับมาเหมือนคนที่แรกแตคนอย่างรงข้ามเลยก็คนที่ไม่ต้องหวังเลยนะไม่ต้องมีความหวังพราะเจ้าพันธ์เป็นคนประเภทนี้ทีน้คนที่อยู่โดยไม่ต้องหวังเพราะ เพราะฉะนั้นคุณสมวัตของพระราหรันจึงมีอันหนึ่งบอกว่าผู้ไม่มีอะไรจะต้องทำเพื่อตัวเองต่อไปคนที่ยังต้องหาความสุขยังต้องพัฒนาสุข น, นก็เพราะยังมี อ, อะไรต้องทำเพื่อตัวเองอ น, นั้นมันมีอันนี้ติดอยู่อันหนึ่งแม้แต่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ยังเป็นผู้ที่มีอะไรจะต้องทำเพื่อตัวเองอยู่แเป็นผู้ประเสด็จที่ว่าท่านไม่ยอมแพ้ก่บความทุข้และมีความเข้มแข็งมีความเฉลียวทําดจนที่จะทำแต่ความดีมีปฏิทินปริทายก็ถือว่าตั้งใจมั่นเด็ด ก็คือมีความเต็มฝ่าหันมีความสุขกินในตัวเองตลอดเวลาไม่ท่นท่านจะนั่งจะเดินที่ไหนท่านก็ไม่ต้องไปหาความสุขมันสกในตัวแล้วท่านจะทำเพื่อใครในีนี้ท่านก็ทำเพื่อคนอื่นเต็มที่นอย่างพระพุทธเจ้าทำไมเราเคารพนับถือมากก็เพราะพระองค์ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อพระองค์เอง มีคุณทรรมมีความสุขสมบูรณ์แล้วจะอยู่ที่ไหนก็นได้เนี่ยอยู่ที่คนที่เขาไม่ทุกข์ทันคาสุดใช่แล้วท่านก็เดินทางไปจะไปนอนกลางริมปนลางทรา ย, ยก็ได้ท่านก็ไปได้พุทธเจา้าใช่หในพุทธประวัติเนะ่ยก็ไม่เห็นจะต้องบารุงบำรุงอะไรเนี่ยไปจาิไ ป, ไปเดินเท้าเปล่าไปแต่ใจมุ่งไปแล้วตะไปที่ไหนไปโปรดใครนี่ยก็มุ่งกันที่นั่นนี่ยก็มีความสุขเนี่ยท่านไม่ได้ทุกข์ก็มีความสุขตลอดเวลาแล้วก็ทำกี่นาทีอย่างี้ก็ใช่หราอเปล่ามีชั้นม่าที่ไม่ม นี่คนทั่วไปน่มันมีตัญหาอยู่คือมันมีตัวตอนอยู่เราจะทำมันนั้นทำไมมันทำไม่ ไ, ม ไ, มได้อย่างนี้เกิด อ, อแหละ น, ะละนี่ในกลังมันก็หายไปนี่พอไม่มีตัวตนอันนี้นมันมีความเต็มอิ่มหรือก็มีตัวพลังความที่ต้องการจะทำก็ความสุก็ไปเรื่อยทไปกาลังก็ไม่ถดถอยแล้วมีปัญญาที่รู้ความใจเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆมันก็สมบูรณ์ใช่ไหมทั้งด้านจิตใจก็สมบูรณ์ด้านปัญญาก็สมบูรณ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรในทางคุณสมบัติองหลานานี่ที่สำคัญถ้เราก็ืนแบบท่านเราทำไม่ได้อย่าง เอนเชนกเนถามนะคะพอดีมีเพื่อนที่ตอนเาอายุสักประมาณี่ิกว่าเคยมีโมดูทักว่าเขาตาด้วยโรคลมนะคะแล้วพอผ่านมาตนช่วงนี้เนี่ ย, ย 44, เขาอายุเาก็เกิดเป็นโรคลมลมชักที่แบบมสติไ่เป็นพักๆ ก, ก็เลยเกิดความกังวลและแกก็มีความคิดว่าอยากจะไปหาพระเกจิอาจารย์ให้ช่วยทำเรียกสัง่วนปงสกุล เ, เ, <อ>เป็นอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าไอ้างสกุลเป็นนีมีประโยชน์จริงหรือเปล่าและสามารถช่วยได้จริงหรือเปล่าคะเพที่จะเปิดออกคำถามเให้ได้ตอนนี้เขากำลังจำมอยนะคะนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องชีวิตคน เรานี่อยู่ในโลกอยู่กับความไม่รู้เนี่ยเยอะเลยใช่ชีวิตของเราเราก็ไม่รู้วันพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้มาย่งไงเราไม่รู้ไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เกิดความกังวลลึกมากอันนี้ก็อาศัยไอ้พวกสิ่งที่จะมาช่วยด้านจิตใจเพื่อจะมาลดอำนาจของความไม่รู้ที่ทาให้เกิดความหวาดกลัวคือคนเราไม่รู้นี่มันจะกลัวนะพอรู้แล้วมันจะหายกลัวไอ้ความไม่รู้มันก็เป็นที่มาสาคัญมันมาผสมกับความอยากเราอยากมีชีวิตอยู่เราอยากมีความสุอย่างนั้นแล้วเราไม่รู้มันจะสำเร็จหรือเปล่าอะไรที่ทำให้สำเร็จพอไม่รู้ คนเราเนี่ยทำให้กัดตัว้วยสภาพจิตของตัวเองทั้ความกลัวก็มาทำลายบั่นทอนชีวิตตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นเวลานี้ที่บอกว่าการแพทย์ทางเลือกนะเลือกไปเจญในตันตกคือตัวอเมิการ์กำลังฟืน้นฟูกำลังนิยมกันเข้าพรานี่แหล ะ, และมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่าที่วิทยาศาสตร์ะเข้าใจใช่ชีวิตมันไม่ได้มีแต่ร่างกายเนี่ยมันมีจิตใจแล้วจิตใจมันละเอียดอ่อนมากอันนี้ด้านีที่ว่าการรักษาที่ตะกอนการแพทย์สมัยใหม่ไม่ยอมรับฟังเลยเอาเล่าให้ฟังนิดในเมื่อวานนี่เองคุณหมอ อันนี้ก็บอกว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยคือท่านราว่าอเมริกากลังเป็นหัวหอกเรื่องการแพทย์ทางเลือกซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วคือตอนนี้เรียกว่าอินเทอร์เน็ตตเมดิซินการเลือกการแพทย์ทางเลือกใช่ไหมลุงสอนก็อันนี้ก็หมายความว่าในตะวันตกอย่างอเมริกาเนี่ยยอมรับเรื่องการแพทย์ทางเลือกมากขึ้นในการแพทย์ทางเลือกก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็โยงไปหาชีวิตของมนุษย์ตามที่เป็นจริงที่เป็นอยู่ในทรมาสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาติแล้วก็ตัวเขาเองก็จิตใจก็ในการแพทย์ทางเลือ ที่มีการสอนเรื่องการแพทย์บางแห่งก็มีกดนิกรมสมาธิเอาสมาธิรักษาอะไรและในอเมริกาเนี่ยนี่ในเมื่อไทยในเมื่อปีก่อนเนี่ยบางแห่งเนี่ยในโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์สมัยหม่เนี่ยพูดเรื่องการแพทย์แบบพื้นเดิมการแพทย์ทางเรื่องนีไม่ได้เลยไม่ยอมรับเลยบางแห่งใช่มร อ, อ, ตมอแต่เดี๋ยวนี้นะ่เริ่มเอาเข้าไปแล้วโรงพยาบาลสาาสุบางแห่งนี่เอาหมอนวดแขนเต่าเข้าไปนวดในโรงพยาบาลนี่ยในการฝังเข็มฝังก็เข้ามานี่อันนึงก็คือเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจมันเป็นแดนที่มาของปัญหาทุชีวิตก็คือว่าเหตุที่ทุ ก็มีอุก็คือสภาพแวดล้อมมาจากผีชัเนี่ยเรื่องของพันธุกรรมอะไรกรรมพันธุ์อะไรพวกนี้ก็มีแล้วก็มาจากเรื่องของกรรมก็มีเนี่เรื่องของการกระทาต่อกันการบีบคั้นของปัจจัยภายนอกนะเช่นว่าผมตะทุกเาอะไรนี่ก็มีเนี่ยทีนี้ด้านแดนของจิตนี่ก็มีเรื่องกรรมนี่เป็นตัวสำคัญเรื่องกรรมนี่ก็ไม่ใช่ว่าหมายถึงต้องตามชัดก่อนนะามก็ผิการกระทการกระทบก็มีความหมายตั้งแต่หนึ่งการ ก, การะทบทางใจได้เกิดความคิดความรู้สึกสภาพที่ความสุ ข, ข, ขความทุกข์ความรู้สึกกังวลความวุดะอะไรต่างตัวเนี่ยแล้วก็เรื่ อ๋อั้ทางใจแล้วก็มากรรมทางวารแล้วก็กรรมทางกายเนี่ยนี่กรรมทางใจนี่เป็นแดนสาคัญนี่คนเราก็สะสมกรรมตลอดเวลาเราคิดเรานึกเราก็มีกรรมแล้วเราก็มีเนี่ยไอตัวะสมก็ความตั้งใจอะไรความหวังอะไรความกันวลอะไรความกลัวอะไรความรู้สึกที่ทำให้เครียดอะไรสั่ความหงุดหงิดอะไรความโกรธทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในใจและไม่กลัมมีเจตนาประกอบพอมีเจตนาประกอบก็เป็นกรรมท่านั้นเลยอันนี้ตัวเนี้ยเราไม่รู้ตัวหรอกแล้วมันลงลึกมากคือแม้แต่เราไม่รู้ตัวมันก็ทางานตลอดเวลาใช่มบางทีมันไปอดความฝันนี่มันก็ปรุง แลวตัวนี้มันก็ทำงานปรุงแต่งชีวิตของเราลตลอดเวลา แ, และก็ทำให้เราเกิดอาการโน้นอาการนี้รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บด้วยดันั้นเหตุปัจจัยด้านกรรมนิยามเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ถามเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่ที่อันนี้ด้วยนี่ถ้าหากว่าเรามีความไม่รู้และมีความอยากเราทำให้เกิดความวัดัวนี้อยู่เราก็ต้องหาทางมาแก้ความวัดัวนี้เพราะวัตรรัวจะเนี้มาปรุงแต่งชีวิตเราและอาจจะทาให้เกิดอาการโรคบางอย่างขึ้นนะบางคนรัวจนเพี้นเลยและเจะควาเพียนนั่นก็เกิดอาการในอวัยวะขึ้นมาก็เป็นปัญหาเป ลดกำลังท้งกำที่ไม่ดีใช้ความบาดกรักเป็นต้นแล้วก็แก้อาการนั้นได้เลยเพราะนั้นเรื่องบองสุุเนบางสุุนตาย่ถ้าคน ม, มีความเชื่อว่า ก, ก็จะเกิดผล ม, มาถ้าไม่เชื่อก็มีผลน้อยเพราะว่าตัวปรุงแต่งจิตมันมีศรัทธาเป็นต้นเข้ามาแล้วก็บรรยากาศอย่างเวลาไปเนี่ยเราไม่ใช่ไปแล้วไปถึงบางสุุนะไปที่วัดไปเจอพระได้บรรากาศจใจเบิกบานองไสจใจใจหายคลุนคิดหายเครียดหายขุ่นมัวเบิกบานองใสเพิ่มขึ้นได้ปัจจัยฝ่ายดีได้ทุนดีเข้ามาแล้โดยไม่รู้ตัวหลายอย่า ง, าง ม, าา ม, าามัน แล้วก็พอบางสกุลเป็นบางสกุลตายกัโลกตายใช่ไม่ไ ม, มันก็มีทนแต่ว่ามันอยู่ในระบบของการบัญญัติธรรมเนี่ยรวมแล้ก็คือการรักษาดีดยจิตใจนแต่ที่นี้ถ้าเรารู้ตัวเราก็ไม่จะเปต้องอารอาศัยระบบนี้เรียกว่าอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยสร้างจ่ปัจจัยภายในก็คืออาศัยพระภิกษุอาศัยบรรยากาศแวดล้อมมาชักจูงให้จิตนี่ดีขึ้นนีถ้าเราเองเากพัฒนาตัวเองเราก็สร้างสภาสพจิต ท, ที่ดีขึ้นมาอย่างที่พุทธเจ้าสอนเอกว่าอ้าวให้ปฏิบัติทาแล้วให้สร้างสภาพจิตต่อไปนี้ไว้ประจำตั ไปคุณมวส้หมอนะางาลบบานใจปราหมดซอมปิติอิ่มใจให้รู้จักเอิติจะสิ่งเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะ้อยๆทาอะไรไปล้างถ้วยล้างชาอย่าไปใจฟุ้งซ่านอย่าไ ป, ค, ค, าไ ป, ไปาคิดโนะ่ที่นี่หงุดหงิดอย่าไปเรื่องไเป็นเรื่องคิดทางานไปใจอยู่กระถ้วยที่ล้างนี่ล้างไปแล้วก็เห็นถ้วยมันสะอาดเพิ่มขึ้นก็โดยไม่รู้ตัวมันมีปีติอย่างอ่อนๆคือว่าสิ่งที่เราทำสำเร็จตามหน้าไปเนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่ยก้าวไปเกิดความอิ่มใจว่าเราปลื้มใจดีใจนิดๆ ๆ, ๆที่เราได้ทำงานตามหน้าไปแม้แต แต่นี่ก็คือการสุขสมาธิด้วยนะแล้วจิตใจของเราก็ดี2องงได้ปิติอิ่มใจให้หาแต่ปิติจากสถานาการณ์ที่เราเจอเลยจากงานการอะไรที่ทำจากเรียกพาได้แต่หาปิติไปเรื่อยเยอย่าไปทำใจฟุง้งซ่านกังวลเครียดไปอันะสามก็ปัจจุบันปัจจุแลววความผ่อนคลายผ่อนคลายไม่เครียดนะผ่อนคลายสงบเย็นนะพอจะเครียดก็มีส ต, ติสตินี่มันจะเป็นตัวเตือนพอมีสติปักก็ดุดเลยสตินี่จะเป็นตัว ก, กั้นกระแสพอมีความโกรธมีอะไรไม่ดีในใจพอมีสติปักหยุดทันทีแล้วสติไปก็เดินต่อแต่ทีนี้ว่าถ้าเราม เย็นกายเย็นใจตัวตัวปราสาทที่เนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายกับจิตพอใจผ่อนคลายเนี่ยจะผ่อนคลายด้วยเนถ้าใจเครียดตายจะเครียดด้วยเนี่ยที่สมาธิทาไมเขาใช้ประโยชน์เพราะว่าหมอเดี๋ยวนี้ยอมรับแล้วนี่ว่า ส, สความเครียดเนี่ยเป็นที่มาเขา้ารเจ็บเยอะแยะใช่มลก น, นจุดเนียก็คือคนเนี่ยสภาพจิตปสาทที่หายไปไม่มีมันก็ตังสร้างปราสาทขึ้นมาแต่ว่าจำาตัวแรกนมันยงกันอยู่มันมีปราโมดปิติแล้วเนี่ยมันจะมีปราสาทที่มาเองเนี่ยพอคนเราเรื่มใจมีปีติอิ่มใจก็ปรา พอเครียดแล้วเส้นเลือดบงอะไรบางมันผิดปกติหมดเลยนันโบราณกทายคว่าเลือดลมให้เลือดลมมันเดินดีพอปัสตที่ผ่อนคลายร่างกายจิตใจผ่อนคลายหมดไอ้ัยว่าต่างก็ทำงานได้ตามปกติของมันเลือดลมเดินดีสบายไปแลนั้นไอ้ปัสตที่มาเป็นบุรพาเป็นตัวเริ่มต้นเข้าสู่สมาธิพอมีปัสตที่แล้วต่อมาก็ตามได้สุขสุขก็สงบสบายนะใจคล่องโล่งไม่มีอะไรบีบขั้นสุขก็โล่งคับทุกข์ทุกข์แล้บีบคันติดขัดคล่องสุขก็โล่งคล่องไม่มีอะไรติดขัดนะแล้วก็ต่อไปพอสุขมาแล อันนี้คนที่จะสุขสมาธินั้นต้องอาศัยความสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้เกิดยากที่สุดทาจิตใจมีทุกข์นี้พอเรามีปราโมทปิติประสิิสุขสมาธิี่มันเป็นกระบวนการตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติจิตมันจะเดินเองอันนี้เมื่อขอสสมาธิมาได้ไปในตัวคืได้ประสถิความผ่อนคลายไงที่ว่ามันก็เลไม่เครียดนะแต่ว่าของพวกเจ้าในีท่านนายไครบเราอาจจะไม่รู้ให้สัมพันธ์กันยังไงสมาธิเราไม่เครียดใช่ไหมแล้วเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการที่ท่านบอกแล้วมีปราโมทปิติประสทิสุขสมาธิแล้วพยายามสร้างให้ห้าอย่างนี้เป นี่ถ้าเราเคยสังสมฝ่ายไม่ดีไว้ช่นคอยรุ่มคอยกังวลพอนั่งที่ไหนก็คิดเรื่องโน้เรื่องนี้เก็เระเกระทบโน่นนิดนี้หน่อยได้เห็นสิ่งนั้นขัดตาขัดใจพอมันนั่งเงียบก็อา้าวะหะดึงไอ้สิ่งที่กระทบมาคิดุงแต่งนี่นลยยุ่งเลยนี่เปลี่ยนใหม่สร้างสภาพจิตเรานี้ยพอเป็นได้ที่สงบปั๊บไม่ยอมแล้วเรื่องกระทบกับท่าไม่เอาเลยนีผ่านปล่อยไม่เอาทนั้นให้อันนี้เข้ามาให้รามาปติปสัที่สุขสมาธินี่เข้ามาไปตามใจของใจตัวเองแล้วก็ต่อไปก็ดีพอมันเคนอม์อ ต, มอมตินนะ กเพสาสภาพจิตอย่างนี้ด้วยถ้าเรียกว่าใช้บุญเนี่ยเชานเเป็นบริขารพ บ, บริขารที่ไรบริขารก็คือตัวประกอบที่วบมแต่จิตเราไปทบุญเนี่ยเราต้องรู้จักใช้ด้วยบางทีเราไม่สามารถเราสร้างสภาพจิตของเราไเป็นใช่เราไม่เข้มแข็งพอแล้วเราลงร่องกับเรื่องไม่ดีลงรองกับผีวา่าเราเคยคิดแบบนั้นเคยทาจิตให้บาดให้ให้เพียอไปนั่งที่ไหนปัมา ท, ทันทีเลยเนย่ก็ลงร่องไปแล้วแกอยาก็ต้องหาพลังที่เข้มแข็งมาสู้นี่ก็การฝึกจิตใจบางทีสู้ไม่ไหวตอนแรกต้องมีายา น, นามิ หรือมันก็จะเอาพฤติกรรมที่ยาบกว่าไอได้พฤติกรรมเช่นฐานมันของอยาบใช่มมันจะมาช่วยทางด้านจิตถือไปทำบุญทำบุญสให้พบสถานาการณ์ที่มันเด่นเด่นมันจะเป็นนิมิตกระเนใจมันเป็นสัญญาที่คมชัดเวลาไปนั่งที่ไหนปนนั๊ไอ้ผมิพุทก็ม่ไดใจแล้วก็เป็นตัวนำให้จิตไปที่ดีนี่ถ้าเราไปทาบุญไว้เร า, เ, ราเวลาทำนี่าบอกให้ทด้วยเจตนาครบ 3. หนึ่งีุเจตนาบเจตนะก่อนทำก็ตั้งไว้เข้มแข็ ง, ขงตั้งใจทำความดีมีเมตากรุณาให้สูงมีสัมาร ให้จิตนี้เกิด ข, ขึ้นอีกสภาพจิตที่ได้ไปทำบุญเนี่ยเราลึกขึ้นมาปมใจทุกทีนะราไปทบุญไว้ตอนนั้นตั้งจิตไว้ดีทสภาพแวดล้อมดีสถานการณ์ดีแล้วนี่ใช่ก็เป็นภาพที่เด่นชัดพอเราลึกขึ้นมามันก็พอภาพอนนี้เหตุการณ์นี้ขึ้นมาในใจปับสภาพจิตอนั้นเกิดเลยนะที่เคยไปแล้วมันปลื้มใจสบายใจ มันพอขึ้นมาถึงสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นขึ้นมาให้ความสุขสภาพจิตดี ด, ด, ด้วยทันทีเลย น, นั้นท่านก็ให้ทำอย่างนี้เพราะว่าไปทำบุญมาแล้วลมันจะได้เป็นเหตุการณ์ที่เด่นไม่อย่างคนไปทำบุญฟังลูกนิมิตไ ป, ปิดทาลูกนิมิตลูกนิมิตมันใหญ่มันเป็นลูกกลมๆไปดินบน่มใช่ไหมมันเป็นนิมิตติดใจเนี่ยเวลาไปนอนไป่เจ็บป่วยเนี่ยมันขึ้นมาในจิตในเวลาเราไปนอนเจ็บปวยเนี่ยสารพัดแหว่งแย่งกันแย่ที่กันในใจของเราเนี่ยไอ้หนอนกบมาไอ้กบมาทีน นออยู่เจรบัตะมนโผลในใจและสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นก็ตามมาด้วยงจิตใจก็ดีมีความสุขลื่มใจเลยหรืออย่างเอายง่ายๆอย่างญาติโยมมาคนเนี้ยถ้ารับปรุงแต่งจิตดีมีความสุขใช่ไหมไปนึกเมไรพอไนึกเหตุการณ์นี้ปั๊บจิตใจสบายมีความสุขบุญก็เกิดทันทีอันนี้เรียกว่าอ布拉布เจินนนี่ถ้าเราทำอย่างนี้ไวต่อไปมันเป็นบริขารขงจิตมันเป็นตัวปรุงแต่งจิตพอไปอยู่ที่ไหนจิตมันไม่มีอะไรเราเคยว้าวเวงอ๋องเหาเลยมนไม่เหงาแล้วมันล ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็อย่า่สกุมเปนตายลเนี่ยก็ระวังอย่างเดียวอย่าไปติดเป็นสีระดับต่ำรืมายุทติดในรูปแบบอะไรแล้วก็เลยคุยกเลยนดีไม่ดีก็เลยดูแค่นั้นไม่พัฒนาตัวเองเราต้องนึกว่านีเราใช้ไปที่อสมาคาวขนาดนี้เรายังไม่แข็แงพอเรายังต้องอาศัยสถานการณ์แวดล้อมอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยวัตถุมาปนชุดจิตนจิตต่อไปเราต้องพัฒนาให้สามารถสร้างม้ใจตัวเองแล้วต่อไปก็จะเก่งเมื่ไงจะไปเป็นผ้าานไม่ได้เราต้องไปพใจนา ก็เป็นอะไรได้ประโยชน์แต่ว่าตั้งแต่ที่ว่าแล้วมันเป็นเส้สิ่งที่มาช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ทุชนที่ยังมีวิชาความไม่รู้แล้วก็อยู่กับตัญหามากหน่อยคุณเ<อ>จ้าตองเป็เจา้าโซนาเมตตาพิเศชนะเรื่องสิทธิของการตายด้วยได้ไหมชัวสิทธิของการตายเคยพูดไว้แล้วเขาไปพิมพ์แล้วนั่นเลยพ อ, อ, อยู่ในหนังสืออะไรไม่รู้เคยพูดไปแล้วเลยพมีเป็นเหนังสือเป็ น, เ ป, นเป็นเล่มดิจะอา่านหนังสือดีหรือจะให้ตอบดีตอบดีคือแน่นอนแหะชีวิตของแต่ละคนเขาก็จะถือว่าเป็นสิทธิกระไดแ โดยท่วไปในขั้นต้นเราอยอมรับก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะมันมีสองตอนสิทธิเนี่ยอยู่ที่มนุษย์บุตุชนตกลงกันใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมมนุษย์ุชนนี่พัฒนาไปเป็น้อยได้นั่นในสิ่งที่ตัวเคยยึดเป็นอย่างนั้นในตอนเป็นรรุชนเนี่ยตอนพัฒนาต่อไปมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นหรือคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คนที่เป็นอรารยรู้ดีกว่าเข้าใจ ก, กว่าเนี่ยจะไม่เห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นและการตัดสินใจในเวลาที่จป่วยเนี่ยบางครั้งก็ผิดได้เพราะอุปเวทนามันบิดคั แม้แต่งง่ายบางทีถ้ารักษาไปอาจจะไม่ตายก็ได้แต่ว่าชินตายซะ ก, ก่อน <c oughs> ไม่ใช้สิทธินี่ในกรณีนี้เรียกว่าใช้สิทธิผิดใช่ไหมนั้นก็มีอันตรายเหมือนกันนะหรือว่าบางทีคนนั้นอ๋อขอบใจครับคนนั้นอาจจะรู้สู้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าไม่ได้คนที่เขาอยู่ในภาวะจิตที่ดีปัญญาเขาดีเนี่ยเขามองสถานการณ์ออกเขาอาจจะเห็นว่าคนทีตัดสินใจผิดก็ได้คนไทยในนั้นะใช้สิทธิเนี่ยนั่นบางทีคนที่เป็นอยู่แต่ถ้ามีเมตตากรุณาแท้เนี่ยอาจจะตัดสินใจได้ดีกว่าใช่ไหมนั้นก็เลยกล้ามตึงจะเอาเป็นเ็นนนนจดดดขาาาไไม่่้้ักกกยงรทีะ ได้บัญญัตเป็นตัวบทกฎหมายเพราะมันเป็นมวลกระดักสังคมเป็นอันตรายในในตัวรือเาแล้วอย่างทางพุทธนี่พรท่านสอนไวน้ในคนเรานี่ได้ไประโยชน์จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นเลยหลายท่านเนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนจะกมรณภา พ, พานักทามพุทธศาสนาเนี่ยคนไม่มีทางฝิดหวังเลยเราสามารถได้สิ่งที่ประเสริฐสุดของชีวิตแม้ยามสุดท้ายวินาทีสุดท้ายที่จะตายเลยเหมือนอย่างพระอรหันต์บางท่านเนี่ยท่านจะป่วยรุนแรงมากและท่านพิกสถานการณ์กลับพิจารณาเวทนาความเจ็บไข้เกิดปัญญาตรัสรู้ขึ้นมาในตอนสุดท้ายเลยก็กลับ แล้วเรื่องของชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กละเอียดอ่อนมากมันมีอะไรที่ที่ว่าเราอาจจะมองไม่ถึงนีแล้วก็เร า, า จ, จะมองแค่นันจิตต้นอนเ า, าัญญาอย่างที่เราบอกว่าคนจะตายเนี่ยทำไงจะให้ตายดีสมัยโบราณเราก็ต้องอให้จิตมันยึดสิที่ดีเราจะมีการบอกอะรหังใช่ไมติดของคนตายเนี่ย จ, จะปั่นป่วนฟุ้งซ่านวิตกกังวลก็พุ่มพล่านไปปุ้นวายไปหมด นี่ก็ให้มีคนที่มาช่วยนำจิตนะเอาอะไรที่ดีดมาบอกให้จิตเขากำบับอยต่ปับสิ่งที่ดีเ <c oughs> อ่อคุณปู่คุณตาวันนั้นเหมือนวีนั้นได้ไปทำบุญที่นั่นนะออนี่ไหนอาจารย์ที่ว่าเมื่อกี้แล้วเอาอันนี้มิดอันนี้ขึ้นมาให้จิตมาจับมันก็อยู่กับสิ่งที่ดีก็ทำให้จิตเปลี่ยนไปก็จิตก็ผองใสเลยต่า ง, ง, งนีงก่ก็แบบนี้ก็คือให้จิตเนี่ยยึดอยู่กับสิ่งที่ดีก็ถือว่าตายดีแต่ทีนี้ถ้าคนนั้นเก่งคนนั้นใช้ปัญญารู้เข้าใจชีวิตตามเป็นจริงมองเห็นนิจจำทุ เรื่องสิทธินี่เอาแค่นี้ก่อนพอได้นะเียนี่ก็มีท่าพระธนามาแล้วมีอยู่2เล่มเล่มนึงชื่อปูถาวิสัชนาเทคโนโลยีการแพทย์กับเรธรรมพุทธเล่มหนึ่งแล้วก็เร่ช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดีเพราะั้นอเล่มหนึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะตรงช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดีเพราะฉะนั้นลองช่วยกันคิดเอาคาถามจากปกหนังสือเนี่ยมาทึกกันตอบสิลองช่วยตอบที่เวาม่งจะเอาไหนช่วยให้ตายเร็วกว่าช่วยให้ตายดีเอาไหนช่วยตายดีดีกว่านี่เพราะนั้นเนี่ยบางทีมัน เอจะมีมะรรปร า, านครับอาจารย์เรื่องออสมานพิธีเนี่ยเรือเอ่องถอดก็ได้ว่าสามติินนี่หมายความเห็นชอบในาพุทธศาสนาเนี่ยคือความเห็นชอบเข้าใจในใจรับในสภาวความจริงของธรรมชาติแตน่นบางแห่งเนี่ยจะรู้สึกขอบเขตของสมาสมติิที่กล่าวในาศาสนาพุทธเนี่ยค่อนข้างวกว้างบางแห่งกล่าวถึงการเชื่อในสังสารวัฏเชื่อว่าถ้าต้องเชื่อในการตายและเกิดใหม่จึงถือเป็นสมาติิของชาวพุทธรถอรานับอาายขออาจารย์ได้ให้ความกระจแจ้งครับอันนี้ไม่มีอะไรมาก คืออย่างนี้ท่านแบ่งสมาธิที่มีสอระดับมันชัดเลยพราะท่นจะจับตัสบสมาธิทีมี2อย่างคือสมาธิที่เป็นโลกิยากละสมาธิที่เป็นโลกุตระนีพยโยมได้ยินอย่างนี้กระจาแจ้งกันแล้วทีนี้สมาธิที่เป็นโลกิยาเป็นไงเชื่อทำดีว่าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยเป็นตนนี้ที่โยมว่าเชื่อว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมีผลไม่ว่าเปล่าเชื่อว่าปีดารดามีเชื่อกายตายแล้วเกิดอะไรต่างานี้นรนี้คือสมาธิที่เป็นโลกิยาส่วนสมาธิที่เป็นโลกุตระก็คือเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งต่าง ระดับของกรรมก็คือยังอยู่กับสังสารวัตเรื่องของการกระทำเรื่องของจิตผู้สมชนที่ยังมีตัณหามีความอยากมีอภิชาใช่ั้ยพวกนี้ยังมีเรื่องกรรมอยู่ัมีเจตนาแบบจะเอายางนั้นยงนี้อะไรต่างเจตนาดีชั่วไปกุศลอกุศลมันก็อยู่ในกทแห่งเหตุปัจจัยในระดับของกรรมคือเรื่องของผลในการกระทำของมนุษย์ที่สินเจตนาแต่ทีนี้พอไปโลภุสมาิมันเป็นระดับของความจริงของสิ่งตงตัวธรรมะเลยธรรมชาติแท้ๆเลยตอนนี้มันพ้นการยุติตแล้วใช่ไหมหรือมันเป็นเรื่องต่ำหย เราจ ะ, จะเ ง, ง, งามในธรรมของพระพุทธเจ้าแน่นอนพระพุทธเจ้าาไอนอะไรพูเสวิแหละในเรื่องนี้จบคือแค่ปลาโมดตัวเดียวนะพันิพนได้เลยอ่ปาปลาโมชาาโลภิกขุพระพุทธเจ้าก็เพิสูผู้ ม, มากไปปลาโมดนั่นแหละอยู่ใกล้พนิพนแล้วเพราะฉะนั้นให้คิดว่าถ้าเราทำใจปลาโมดได้เนี่ยเราอยู่ใกล้พนิน<ช>พนจะได้ามนะ